ตอนอบรมคราคุณครูโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่30กันยายนถึง5ตุลาคม2558ตอนที่10ปฏิบัติธรรมที่ไหนจะสนุกป่านนั้นถ้าเราเรียกว่าปฏิบัติธรรมเดี๋ยวคนเขาอยู่ในศาสนาเขาจะสะดุ้งนะเขาไม่เข้าใจว่าปฏิบัติธรรมคืออะไร นะปฏิบัติธรรมคือการกระทําตามธรรมชาตินะไม่เนื่องด้วยกิเลสที่เราเต้นเต้นกันเนี่ยบางคนถามพ่อครูว่ามันต่างอะไรกับที่เยาวชนเขาไปเที่ยวดิสโก้เทคนะ เ, เพลงเหมือนกันเต้นเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะเยาวชนเขาเต้นด้วยอารมณ์เขาสร้างอารมณ์ความสนุกสนานนะคร อ, อ, อบงำสติเขาพอชนกันปุ๊บตีกันฆ่ากันนะ พวกเราเต้นด้วยสติด้วยสมาธิเอาอารมณ์ออกเอาอารมณ์ออกนะเนี่ยบางอย่างเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนะกรรมชี้เจตนานะก็อย่างน้อยๆเที่ยวนี้พวกพวกเราได้มาที่นี่เนี่ย เ, เมื่อกี้นี่เจ้าหน้าที่เขาจะสรุปนะสรุปการประเมินที่ขอบคุณคุณครู ที่ให้ข้อคิดมานะก็สรุปคร่าวๆคือแบบสอบถามมีจำนวน279ท่านนะก็ความพึงพอใจในเรื่องที่พักดีมาก247ท่านดีเฉยสามท่านพอใช้ไม่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของอาหารรสชาติปริมาณ ดีมาก268ท่านดี11อท่านการปฏิบัตินะช่วงเตรียมพร้อมพร้อมร่างกายและจิตใจดีมาก246ท่านนะดี32ท่านพอใช้หนึ่งท่านช่วงอริยบทสยืนเดินนั่งนอนดีมาก237ท่านดีเฉยเฉยสี่สบท่านพอใช้สองท่นาทน ช่วงอายตนะวิปัสนากรรมฐานหรือว่าสมาธิเวี่ยงดีมาก249ท่านดีเฉยๆยี็ยท่านพอใช้สมท่านช่วงนานาจิตตังดีมาก240ท่านดี37ท่านพอใช้สองท่านนะก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์มาคิดเปอร์เซ็นต์มา นะผนแนครัวเข้าวินนะประแขช น, นะเนาะก็ที่พักนะดีมาก 88.53% ปดซดี 11.47% ส่ซส่วนคุณภาพอาหารและรสชาตินั้น 96.06% ดนเะดีเฉยๆส9 4เ ก็เตรียมพร้อมร่างกายจิตใจช่วงเช้านะดีมาก 88.17 ดี 88. 11.47 พอใช้ 0.36 ช่วงอลียบท4ร้อยละดีมาก 84.95 ดี 84. 14.34 พอใช้ 0.72 นะช่วงอยายตนะวิปัสสนากรรมฐาน หรือเรียกว่าเราเรียกเล่นๆ น, นะว่าสมาธิเวียงนะก็ดีมาก 89.25 ดี 9.68 พอใช้ 1.08 ช่วงนานาจิตตังดีมาก 86.02 ดี 13.26 พอใช้ 0.72 การปฏิบัติเนี่ย ก็อยัยตนะวิปัสนากรรมฐานเนี่ยดีมาก 89.25 นี่เข้าวินก็80กว่าเปอร์เซ็นต์หมดนะทีนี้คำแนะนำมีมากมายนะเพราะคููก็จะไม่ได้อ่านอะไรทั้งหมดนะก็บางท่านก็บอกตอนนี้อจะไม่อัยตนะวิปัสนากรรมฐานเนี่ยนั่งมากเกินไปแล้วก็เจ็บขาแต่พอนั่งแล้วก็รู้สึกสบายนะแต่ว่า พอสรุปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ชอบนะส่วนยืนเดินนั่งนอนนั่นก็มีข้อคิดว่าเวลายืนน่ะเมื่อยเป็นช่วงที่ทรมานที่สุดยืนเดินนั่งนอนน่ะง่ายที่สุดไม่ต้องใช้พลังเลยเห็นไหมแต่เป็นช่วงที่ยากที่สุด <c oughs> เห็นไหมไม่ต้องทําอะไรเลยแต่เป็นเรื่องที่ยากที่สุดเนี่ยถูกแล้มีอารมณ์อย่างนี้ถูกแล้วนะ ทีนี้เราบอกเรานั่งเนี่ยทรมานนะมันมีแนวทางหนึ่งเนี่ย ก, ก็พูดก็ได้ไม่เป็นไรนะก็โคอยองกาเขาเขาเขาพิจารณาเวทนาวันหนึ่งเขานั่งกรรมฐานเนี่ยนะนั่งอยู่ตรงนั้นแหละเฉพาะเวลากินข้าวแล้วก็นั่งต่อเนี่ยบชั่วโมงถึง12บชั่วโมงคือนั่งให้มันเกิดเวทนา นะเขาเอาเวทนานั้นนะมาเป็นฐานที่ตั้งนะบางคนเขาคอสก็ได้ครึ่งหนึ่งก็หนีออกมาคือไอ้ที่เราทําไม่ต้องสร้างไม่ต้องสร้างเวทนาดีใจก็เวทนาเสียใจก็เวทนาไม่ใช่เจ็บปวดเฉยๆนะแล้วพอเราเข้าไปในจิตได้แล้วเนี่ยไล่ลำเนื่ก็เวทนานะเป็นความสุขนะเจ็บปวดร้องไห้ก็เป็นเวทนานะก็ไม่ต้อง ที่เรานั่งอยู่บางทีไม่ใช่เจ็บขาจริงๆนั้นเป็นธรรมลมนะก็บางท่านก็บอกเวลามันยาวเกินไปนะจริงๆแล้วที่นี่ปฏิบัติทุกวันตลอดปีนะอันนี้ื่องจะเป็นคอร์สแรกอาจจะว่าคุณก้อยไม่อยากให้พวกเราเสียเวลาอยากให้เราไ ด, ได้รับความชำนาญ น, นะเมื่อเราปฏิบัติคุ้นเคยแล้ว อย่างสองชั่วโมงเราไม่ต้องนั่งถึงสองชั่วโมงนะเราได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะเพียงแต่ว่าช่วงคอทแรกเนี่ยเป็นการฝึกวินัยให้เรามีขันตินะเรายังไม่ชํานาญนะจริงๆแล้วที่ศูนย์นี่ไม่มีข้อบังคับไม่แต่ข้อหนึ่งไม่มีกฎเกณฑ์นะแนวทางที่ศูนย์นี่คือไม่มีแนวทางไอ้ที่แนวไม่ที่ไม่มีแนวทางคือแนวทางของเรานะ ถ้าตั้งกฎเกณฑ์ปุ๊บมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมติขึ้นมันไม่ใช่ธรรมะละนะอย่างในป่าดงดิบเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายอยู่อย่างสันติเสรีโดยแท้ไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีกฎหมายนะนกฝรั่งเศสบินมาเมืองไทยไม่ต้องขอวีซา่าธรรมชาติเขาเสรีอยู่แล้วแต่มนุษย์เรามาทำลายเสรีแล้วก็มาเรียกร้องเสรีกันนะแต่ตอนนี้โลกมันเป็นอย่างนี้แล้วเราเปลี่ยนเขาก็ไม่ได้ เราต้องยอมรับกติกาโลกนะต้องมีอย่างมีกฎหมายก็สมมติกฎหมายบางอย่างบางคดีเนี่ยเมืองไทยบอกว่าผิดฝรั่งบอกว่าถูกพ่อครูเคยอยู่อเมริกานะถ้าลูกสาวเราอายุ18แแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเดทไม่มีนัดกับเพื่อนชายไปเที่ยวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะพาไปหาหมอโรคจิตแต่บ้านเราถ้าไปปุ๊บเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ช็อกเลย วัฒนธรรมไม่เหมือนกันเห็นหมมันเป็นแค่สมมุตินะอยู่ที่ว่าใครจะสมมุติว่าอย่างไรทีนี้พวกเราเนี่ยโดยเฉพาะสังคมไทยทุกวันนี้ดีขึ้นถ้าเป็นสมัยส4มปีก่อนเนี่ยนะผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าชัดเจนผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังนะไม่มีโอกาสอย่างนี้นะมาเต้นแบบนี้เขาไม่ให้เต้นนะเขาบอกไม่ใช่กุลสตรีนะ ถ้ากุลสตรีสมัยจีนโบราณ น, นั่นพอเกิดมาปุ๊บเขาก็ผูกขาเนี่ยเ <us> ข า, เขาผูกผูกผ้าผูกถ้าใครขาเล็กที่สุดคนนั้นสวยที่สุดเขามีประกวดนะไม่เกินสามนิ้วนะความยาวเท่ากับซองบุหรี่ถ้าเดินลักกระโโพงกระเพกนั่นเขาบอกว่าอ่อนช้อยน่ารักเป็นนางสาวเลยนะเป็นเป็นไม่ใช่นางสาวไทยนางสาวจีน เห็นไหมสมัยก่อนเขาคิดอย่างนั้นเป็นเวลาร้อย้อยปีนะร้อยปีเลยนะยุคนั้นน่ะถ้าใครไม่ไม่ไม่ผูกไว้เนี่ยผู้ชายเขาไม่มองแล้วก็เขาทำอย่างนั้นเพื่อให้ไม่ต้องเดินไวอะไรกระเดิงกระด้างคลๆว่าต้องอ่อนช้อยเดินทีละก้าวเดินไวหรือจะลมเพราะขาอยู่แค่สมนิ้วแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยนะค่านิยมมันก็เปลี่ยนไป นะพอไปถึงยุคเหมาเหมาเหมาเจิ้อตงเขาปฏิวัติปุ๊บนี่ยเขาบอกให้ยกเลิกตัวนี้เพราะอะไรเขาบอกผู้หญิงขาเล็กอย่างนี้ทํางานไม่สะดวกนะเขาต้องการแรงงานมันก็เปลี่ยนมาอีกเห็นไหมมันเปลี่ยนมาเรื่อยเรอยือันนี้เรียกว่าสมมุติและบัญญัติมันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นสมมติและบัญญัติแต่และชุมชนแต่และประเทศเขาก็ตั้งสมมุติไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าเราไปติดสมมติปุ๊บเนี่ย นะพอไปเจอคนอื่นไม่เหมือนเราเนี่ยเราก็รู้สึกกล่าวโทษไม่พอใจที่เราทะเลาะ ก, กันทุกวันนี้ก็เป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเราฝึกจิตนะเราจะรูมันเป็นสมมติแล้วก็อยู่กับสมมติแต่เราไม่ไปหลงมันไม่ไปติดมันไม่ไปซีเรียส ก, กับมันแต่เราไม่ทำลายสมมตินะก็การฝึกพัฒนาจิตเนี่ยทำให้เราเกิดปัญญาเมื่อกี้เราดูเลยใช่ไหม ถ้าเราไม่มีปัญญาเราไม่ไม่กล้าฟ้อนลั่ไม่กลมมก้าเต้นแบบนี้นะปัญญาไม่ได้ไปว่ารู้มากคือรู้แจ้งเห็นจริงว่าเราทำแบบนี้ร่างกายเราจะมันจะปลดปล่อยร่างกายมันจะรักษาร่างกายเห็นหมเขารู้ว่าอะไรทำมีประโยชน์เราเขากล้าทำแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเราติดสมมติบัญญัตินี่เราจะกลัวไปหมดเลยเห็นหเราจะกลัวไปหมดเลยนะความกลัวทาให้เราเสื่อม ต้นเหตุของความกลัวก็คือความอยากนะก็พก่อครูอยู่กับสิ่งนี้26ปีนะพราครูเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมข้างนอกนะหปีที่ออกไปบรรยายเขาพ่อครูเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนยี่สิบปีเหมือนเป็นทาสานอยู่ที่นี่นะไม่มีใครรู้จักพอเริ่มต้นปี21่บอกแก้วถึงเวลาแล้วออกไปเขาพาพ่อคูไปกรุงเทพ บอกแก้วพาพักกูไปนั่งรถเมลหน่อยรถไฟใต้ดินอะไรนะะวันนั้นไปรถไฟใต้ดินครั้งแรกนะผู้คนเดินมาเดินมามันก็บ่นคนเดียวพวกกูแก้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเดินไปมันก็บ่นมันก็บ่นไอ้แก้วมันหัวเราะว่าเขาพูดโทรศัพท์พักกูจะมองเอ้มันเป็นอะไรคนพวกนี้มันมันมันบ่นอะไรกันนักหนามันเครียดถึงขนาดนั้นเหรอ พอเข้าไปในรถไฟนะก็นั่งกดกดกดกดกดกดกดเนี่ยมนุษย์กลายเป็นมนุษย์หุ่นยนต์มนุษย์เกมกดแนะปีที่แล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยชิคาโกเขาทำวิจัยนะนะเราติดพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยตอนนี้อันตรายกว่าติดยาเสพติดอีก ในแง่สุขภาพเราเราไม่ได้หยุดพักเลยเราใช้ประสาตตาใช้ความคิดใช้ประสาทมือตลอดเวลานะเห็นไหทำงานก็เหนื่อยแล้วแล้วก็เวลาพักแทนที่จะพักผ่อนสมอง พ, พักสายตาก็ทำงานอีกนี่แหละเพราะกูบอกว่าเราไม่เคยรักตัวเองเลยเรากลัวตัวเองตายชาเห็นไหมใช้มันใช้มันใช้มันรถยนต์ใช้บ่อยๆมันโซมไวเนาะ ทีนี้คนแก่วันนั้นผู้อาวุโสมาจากกรุงเทพเราทําอะไรไปนั่งฐานพระใหญ่เขาบอกลูกหลานเขาบอกว่าเนี่ยคนอายุเจสิบกว่าก็กดนะเขากดเพราะคูยี่สิกปีอยู่ที่นี่เพราะคูตอนนี้ใช้โทรศัพท์ไม่เป็นนะไม่รู้กดยังไงบางทีแก้วทริปเขามีธุระเข้าเข้าไปในเมืองเขาก็ทิ้งในโทรศัพท์เล็กๆนี่เขาบอกถ้าได้ยินนะไอ้กดปุ่มนี้ก็พอละแล้วฟังเขาเขาสั่ง เพราะคู่กดโทรศัพท์ไม่เป็นนะคุณยายนั่นก็บอกว่าลูกหลานบอกว่าต้องเล่นบ่อยๆเดี๋ยวเป็นอัลไซเมอร์เราเข้าใจผิดแล้วครับที่เราเป็นอัลไซเมอร์แเพราะเราใช้สมองมากเกินไปประธานธิบดีเลเกนเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์คิดมาก่ะเราเข้าใจผิดนะ เพราะเราใช้มันมากเกินไปแล้วอายุมากเกินกันมันก็โซมนะตอนนี้เนี่ยเด็กก็กดผู้ใหญ่ก็กดผู้อวุโสก็กดกดไปหมดเลยเนาะผู้บริหารทียายอสีอาจารย์สุชาติมาเล่าให้บวกกูฟังทุกเดือนนี่แกมีนัดหมายกับเพื่อนร่วมรุ่นพอไปเจอกันปุ๊บเนี่ย มันก็นั่งกางต่างคนต่างไปดูกันกดนะนะแกบอกพวกคุณคุณเชิญผมให้มาดูพรากคุณกดเลยกูกลับบ้านดีกว่า <c oughs> คือนานๆเจอกันทีหนึ่งแทนที่จะคุยกันนะคือเราคือราว่างเกินไปใช่ัหมไม่มีงานทาใช่ไหม <c oughs> ไปพวกกูก็เห็นเด็กๆมันทำอะไรไปกินข้าวเนี่ยก็ถ่ายรูปปุ๊บก็ส่งไปให้เพื่อนดู รายงานตลอดเลยคนโบราณเขาบอกว่าอย่าชักศึกเข้าบ้านเหยาเรื่องภายในบ้านออกไปข้างนอกตอนนี้เปิดเผยหมดเลยเปิดกระโปรงให้เขาเห็นหมดเลยสู้ศึกทุกครั้งแพ้ทุกครั้งแล้วเผยไตยเขาหมดเลยไงนอนไม่หลับก็บอกฉันนอนไม่หลับเหงาก็บอกเขาอีกว่าฉันเหงาพวกครัวอะไรกันนักหนา แก้วทิพตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่นี่ก็ขออนุญาตพระครูทำเว็บไซต์ของศูนย์นะเกือบสิบปีแล้วนี่พ่อครูไม่เคยเข้าไปดูเลยแล้วก็เข้าไปไม่เป็นด้วยนะกลายเป็นคนโง่ไปนะบางคนบอกพ่อครูไม่ทันสมัยนะก็หลายปีก่อนพ่อครูเข้าไปในเมืองนะสิบกว่าปีแล้วล่ะ พอกูไปธนาคารจะไปเบิกสตังค์เบิกไม่ได้เพราะคอมพิวเตอร์มันดาวตอนนั้นเขาก็เปลี่ยนใหม่ๆเขากําลังเหอ่อกันผู้จัดาการก็มาเดินคุยกับพอกูนะคุยไปคุยมาคุยเรื่องพอดีจบที่คอมพิวเตอร์พอกูว่าทำไมเบิกคอมพิวเตอร์มันดาวพอกูบอกพอรูผลิตคอมพิวเตอร์ขายที่อเมริกานะแต่ถ้าเลือกได้ไม่อยากให้มนุษย์ใช้คอมพิวเตอร์แต่มันเลือกไม่ได้หรอกนะเราต้องใช้ ผู้จัดการมองหน้าพระคูเหมือนเหมือนเป็นมนุษย์ต่างดาวเหมือนเต่าล้านปีคนไม่ทันสมัยนะเขาว่าทําไมถึงคิดอย่างนั้นอ่ะยุคนี้ไม่ใช้ได้ยังไงพระกูบอกมันไม่ดีแกบอกไม่ดีได้ยังไงให้ผมผมเบิกเงินไม่ได้งไงเห็นไหมสมัยก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์นะไฟดับยังเบิกเงินได้เลยมันดียังไงคอมพิวเตอร์ดับปุ๊บทุกคนเป็นง่อยหมดเลยเห็นไหม แต่ทุกวันนี้เราหนีไม่พ้นเราต้องใช้มันแต่ใช้ให้มันเป็นอย่าใช้ให้มันตายถ้าเราเป็นทาสมันปุ๊บเราตายทั้งเป็นนะเร็วๆนี้พ่อกูก็ติดตามนะเออคุณสตีฟจ็อบตั้งแต่ก็ยังไม่เสียชีวิตนะเขาเก่งมากเขาเขาผลิตไอ้คอมพิวเตอร์ไอ้ไอ้ไอมือถือรุ่นแรกเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันที่มันมีปุ่มเดียวอะนะ พ่อคูเอ้ยนี่มันเก่งนะสมัยพ่อครูขาคอมพิวเตอร์แล้วก็เขาก็ยังไม่ดังอะไรหรอกนะเอ้ยนี่มันเก่งเพราะทุกวันนี้พ่อครูดูเทคโนโลยีสมัยก่อนเราเรียนจบปริญญาตีใช่ไหมเราจะไปทํางานเขาถามว่าพิมพ์ดีดเป็นไหมต้องไปเรียนพิมพ์ดีดนะตอนนี้ต้องถามว่าคอมพิวเตอร์เป็นหรือเปล่าต้องไปเรียนเพิ่มเติมนะก็พ่อกูถามผู้จัดการธนาคารเราผู้จัดการสมัยก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์มาทํางานกี่โมงแกก็บอก8ปดโมง เปิดธนาคารแปดโมงคึ่งแล้วกลับกี่โมงกลับบ่ายสี่โมงเพราะว่าปิดธนาคารสามโมงคึ่งแล้วตอนนี้มีคอมพิวเตอร์และผู้จัดการมาทํางานกี่โมงก็แปดโมงกลับกี่โมงกลับห้าโมงต้องเซต up คอมพิวเตอร์ด้วยทํางานมากกว่าเก่าอีกมันดีได้ยังไงถ้าคอมพิวเตอร์มันดีนะจะไม่ใหมันเร็วมากใช่ไหมต้องทํางานแค่ครึ่งวันก็พออันนี้มันไม่ดี แล้วยิ่งมายิ่งมาเนี่ยยังไงมือถืออะไรอะไรไม่รู้นะไอ้ยิ่งสัมผัสอะไรนี่พ่อคูยิ่งไม่เป็นเลยกดอะไรก็ไม่รู้บางเอิออาจจะไม่ถูกพ่อครกูกดมันอาจจะช็อตก็ได้มันรับไม่ได้สักทีหนึ่งนะไอ้แก้วก็เลยเอาเอาไอา้ เ, อ เ, อเครื่องเล็กๆรุ่นเก่าๆว่านี่มีปุ่มนี้นะพ่อคูจําปุ่มนี้ถ้าได้ยินเสียงก่กดมันเลยแล้วฟังแก้วพูดก็พอเห็นไหม แล้วตอนนี้ยิ่งมาปุ่มก็ยิ่งเยอะขึ้นนะยิ่งต้องไปเรียนรู้เราเาเอาเวอร์ชันเนี่ยแข่งกันไงเห็นไมเออมีเพิ่มเวอร์ชันนึงก็ยิ่งปุ่มมากขึ้นเพราะว่าไอ้พวกนี้มันยิ่งมาไม่เก่งวิทยาศาสตร์ยิ่งมายิ่งไม่เก่งถ้ามันเก่งจริงๆเนี่ยกดปุ่มเดียวอัตโนมัติเลยบังเ อ, อิญสตีฟจ็อบมันทำออกมาเพราะไอ้นี่มันเก่งมาก ทีนี้เขาผลิตออกมาเขาประกาศว่าเออรุ่นนี้โฆษณาไปทั้งโลกวันที่หนึ่งนี่จะเริ่มขายเปิดร้านเก้าโมงเยาวชนเราไปนอนตั้งแต่ตีสองเฝ้าก่อนอยากเป็นที่หนึ่งเรากลายเป็นทาสมันแหละนะแล้วก็หลายปีก่อนมันมีสารคดีออกจากทโทรทัศน์เนี่ยพราะกูเห็นมีโรงเรียนแห่งหนึ่งนะที่กรุงเทพนะ คงไม่ใช่ก่อนพีทากกันนะเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาถือมือถือรุ่นเก่าไอ้ก้อนใหญ่ๆเห็นไหมไอ้ก้อนบักใหญ่ใหญงหนักๆกันนะใช่ไหมรุ่นใหญ่ๆเลยเพราะกูไม่รู้เรียกว่าอะไรเขาไม่กล้าให้เพื่อนเห็นเขาใส่กระเป๋าเขาเวลาจะโทรเขาเข้าไปห้องน้าเพราะเพื่อนมันมีรุ่นเล็กๆเขาสัมภาษณ์บอกเขาอายเพื่อนเห็นไหม ที่นี่พราครูถึงบอกว่าเด็กๆไม่จำเป็นไม่ต้องเอามือถือมาถ้าหลงเอามาปุ๊บมาฝากครูก่อนแล้วไปเรียนเวลากลับไปเอาไปคืนมันจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นนะขนาดเด็กมานอกนะตอนนี้วัตถุนิยมก็เข้ามาเลยนะมีครั้งหนึ่งเนี่ยเขาแอบเอาปลากระป๋องมาจากบ้านนะ แล้วก็มากินที่โรงอาหารเราเนี่ยมันก็เปิดปลากระป๋องเนี่โชเพื่อนมันมีปลากระป๋องปลากระป๋องของเด็กมันนอกเนี่เท่ากับคนในเมืองว่าเรากินหูฉลามเลยนะมันต้องมาอวดกันเพราะอวดกันแล้วไอ้เด็กคนอื่นนี่มันก็ร้องไห้แม่ขอแม่มันปลากระป๋องมาไม่มีไม่ยอมมาเป็นเรื่องแล้วพราะกูก็สั่งผู้บริหารโรงเรียนมาอย่างเงี้ยห้ามเอามาบอกผักแขว่า ทำให้มันกินเป็นช่วงๆพอทําให้ม่กินมันมันมันไม่อร่อยเพราะมันไม่ได้โชว์ตอนนี้วัตถุนิยมเป็นแบบนี้นะนะคือแถวคนแถวนี้เขาจนอยู่แล้วพรุ่งนี้จะกินอะไรก็ไม่มีนะเออเพื่อเวลาเปิดเทอมนี่ครัวเราต้องทําอาหารเลี้ยงคนเป็นพันคนแต่ละวันจันทร์ถึงศุกร์ทั้งนักเรียนทั้งครูทั้งญาติกิ่ทําอะไรเนี่ยนะ ก็เราไม่ทำอาหารเยอะเท่าเด็กๆเนี่ยมีอย่างหนึ่งสองอย่างแต่ว่าให้เขากินแบบกี่รอบก็ได้นะนะบางคนเดินสี่ห้ารอบเลยนะญาติธรรมที่นี่บางคนเนี่ยเขามีเมตตาเขากลับไปกรุงเทพก็ส่งวิตามินมาให้แก้วที่พ่อปัวแก้วไปบอกเขาว่าเด็กที่นี่ไม่ใด้ขาดวิตามินนะมันขาดอาหารเห็นไ้มแต่ละแห่งไม่เหมือนกันนะ ยาวความรู้สึกเราเนี่ยไปมองอะไรตามตามที่เราเคยชินนะเออนั่นแหละเปิดจิตเปิดใจเรียนรู้คำว่านาน า, นาจิตตังนี้ดีมากนะถ้าครอบครัวหนึ่งเนี่ยพวกกูถือว่าตอนนี้พรพิทักษ์เราเนี่ยตั้งครอบครัวใหม่ละหลังจากมีคนเรียกว่าอะไรนะ KPT นะเป็นระบบครอบครัวใหญ่ นะก็คุณใหญ่เจ้าของโทโยฮะที่แกมอบสถานที่แกเคยมาบวชที่นี่มาบวชกับพระกูมาปฏิบัติที่นี่นะเขาเป็นแบบ h ชนี s ซ system บริษัทเขาเนี่ยลูกน้องเขาเป็นพันเหมือนกันนะเคยเชิญพระกูบรรยายที่สาขาขอนกันเขาอยู่ในสนามกีฬานะของเขาใช้ระบบครอบครัวใหญ่นะทำงานปุ๊บเหมือนถ่ายทอดนะ เราจ ะ, กะเกษียณปุ๊บถึงลูกถึงหลานเลยเห็นไหมบริษัทเขาดูแลลูกหลานคล้ายๆว่าเป็นครอบครัวแบบชไนน์ s ิสเต็มนะเป็นแบบครอบครัวใหญ่เขาไม่เอา ISO แบบฝรั่งเขาไม่เอาเพราะว่ามันแข็งกระด้างมันเป็นไอ o โซึ่งไร้วิญญาณเพราะครูอยากเห็นเมื่อเรามาปฏิบัติร่วมกันแล้วนี่กลับไปเราพงคุยภาษาเดียวกันได้แล้ว สมัยก่อนบางคนพูดภาษาอังกฤษบางคนเยอรมันบางคนฝรั่งเศสเนาะคนไทยด้วยกันเนี่ยแต่คุยกันไม่รู้เรื่องตอนนี้เรามาจูนที่มันไม่รู้เรื่องเพราะทุกคนมีตัวตนของตัวเองมีทิฏฐนะนะิมันนะนะมีธงของตัวเองละแต่ที่นี่เรามาเหวี่ยงมันทิ้งนะถ้าเป็นแบบครอบครัวใหญ่มันอบอุ่นถ้าทางศาสนาเรียกว่าเราเป็นญาติกันญาติธรรม เราเป็นกัลยาณมิตรไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนร่วมงานกัลยาณมิตรเป็นที่สุดแห่งผ ม, มจันทร์นะคือยังไงกัลยาณมิตรนี่เป็นเหมือนกระจกส่องให้เราเห็นตัวเองเข้าใจไหมคือทำให้เราสภาวะเราเราเราเราลักกันเราเป็นญาติธรรมจริงๆคำว่าญาติธรรมนี่เป็นญาติทางธรรมไม่ใช่เรื่องชาติเดียวนะ ที่เรานั่งอยู่ที่นี่ถ้าเราสาวอาดีตได้เนี่ยไม่มีแม้แต่หนึ่งคนเน่ยในอดีตชาติใดชาติหนึ่งเราไม่เคยมีความผูกพันกันแต่ญาติโดยสายเลือดนะคลอดมาพ่อแม่เดียวกันพ่อแม่ก็ตั้งใจหาเงินหาทองบังเอิญเกิดอุบัติเหตุตายฉับพลันไม่ได้เขียนพิจัยกรรมไปนะพี่น้องกันฟ้องร้องกันตีกันฆ่ากันนะญาติแบบนั้นน่ะ ฆ่ากันได้แต่ถ้าญาติทนะี่ทรเน่ฆ่ากันไม่ลงเพราะเรามีคุณธรรมเมื่อเราฆ่ากันไม่ลงเราก็มีเมตตาซึ่งกันและกันพอมีอะไรปุ๊บญาติในครอบครัวเราทําผิดปุ๊บเราก็กล้าที่จะบอกเขาเนะ่ต่างคนต่างเป็นกระจกซึ่งกันและกันตอนนี้ไอ้ลัทธินิกายที่ต้องการให้ทุกคนเนี่เท่าเทียมกันเหมือนกันนะนะเป็นความคิดที่ผิด ก็ครูบอกเลย ว, ว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคนที่เกิดมาพ่อมีพันล้านคนที่เกิดมาพ่อเป็นหนี้สินยกตัวอย่างว่าเราแข่งร0อเมตรแข่งกันเนี่ยคนนึงจะสตาจากจุด1เมตรคนนึงสตาร์จากจุด50เมตรเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้โดยเฉพาะทุนนิยมเรามีทุนเป็นเซ็นเตอร์ใครมีทุนมากกว่าคนนั้นย่อมได้เปรียบประเทศเราประเทศเล็กๆลงทุนต้องไปเสียดอกเบี้ยเขาลงทุนก็ได้ดอกเบี้ยเรา จุดเริ่มต้นเนี่ยต้นทุนเราก็สูงกว่าเขาเราจะอะไรไปสู้เขาเห็นไหมมันเป็นความคิดที่เหลวไหลต้องการให้ทุกคนเสมอภาคเนี่ยมันเป็นทฤษฎีแต่ความเป็นจริงไม่ใช่นะแล้วเราจาให้ทุกคนคิดเหมือนเขาเท่มเทียมกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งครอบครัวหนึ่งเห็นไหมพ่อแม่เดียวกันลูกสี่ห้าคนเนี่ยคนละนิสัยคนนี้ชอบกินไอติมคนนี้ชอบกินตังเมคนนี้ชอบกินเคก้กมันไม่เหมือนกัน นะทีนี้วิธีอยู่ร่วมกันเป็นอย่างไรโอเคครอบครัวใหญ่เราเพราะครูไม่ได้มองว่าเราเป็นแขกนะธรรมดาจัดงานที่อื่นเนี่ยงานใหญ่ขนาดนี้คนสามร้อคนเนี่ยโอยต้องวุ่นวายไปหมดเลยไม่มีแต่ว่าเออรู้ว่าจะมามากขึ้นประแขจัดการเตรียมอาหารเนื่องจากที่พักไม่พอโอเคเคียรียร์เคี ย, ค ย, คยแล้วก็เพิ่มที่วันนั้นไม่มีน้ำเนี่ยเพราะว่าไ อ, ไอช่างมันก็คิดใจดีนั่นละเปลี่ยนปั๊มที่ เพราะเราอาจพร้อมกันเนี่ยแรงดันไม่พอก็เปลี่ยนแรงดันใหม่แล้วก็ไปใส่เครื่องกองให้ตัว น, นั้นด้วยมันก็ตันไงมันก็ไม่มีน้ำก็สะดุดแต่พวกเราไม่ได้ตื่นเต้นเพราะความรู้สึกพวอครูที่พวกเรามาเนี่ยไม่ใช่แขกมานะเหมือนลูกหลานกลับมาบ้านออถ้าลูกหลานมันจะด่าพ่อสักทีหนึ่งก็ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่ต้องพูดคาว่าขอโทษ ด, ด้วยบอกลางาที่นี่มันไม่ใช่ของใครนะ ผมกเราไม่ไกังวลนะถ้าที่อื่นจัดงานแบบนี้โอ้ไม่รู้ขึ้นป้ายตั้งกี่ป้ายแล้วเนาะเนาะที่นี่ไม่ต้องทําอะไรมากเมื่ อ, อไหร่ก็เป็นแบบนี้เนี่ยพวกเราไม่ได้กังวลเลยนะเราคือว่าเออลูกหลานกลับมาบ้านละคนในแฟมิลี่มาเนี่ยถ้ารักษาเป็นครอบครัวใหญ่ที่นี้เทคนิคในการอยู่ร่วมกันเพราะว่าสายเลือดเดียวกันมันยังคิดไม่เหมือนกันเลยเนี่ยศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเท่าเทียมกันหรือเหมือนกัน ศาสนาพุทธสอนให้เรายอมรับในความแตกต่างคนที่เหนือกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่ด้อยกว่ายกตัวอย่างว่าเอาน้ํามาแก้วหนึ่งเอาทรายเทลงไปมันจะไปอยู่ข้างล่างเอาน้ํามันเทลงไปมันจะไปลอยอยู่ข้างบนเอาเกลือลงไปมันจะไปอยู่ตรงกลางเห็นไหมต่างคนต่างอยู่อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันต่างคนต่างอยู่ทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวแต่ทั้งหมดไม่ต้องเหมือนกันทีนี้อลัทธินิกายมันต้องการเสมอภาคเหมือนกันมันคนใหญ่เลย เอากฎหมายฉบับเดียวกันทุกคนเท่าเทียมกันคุณไปหมดเลยทั้งโลกตอนนี้สงครามโลกครั้งที่สามกำลังจ่ออยู่นะรัสเซียเดียเด๋ยวนี้ไ ป, ไ ป, ไ, ปไปประชุมสหประชาชาติใช่ไหมก่อนจะประชุมปุ๊บในี่ประาธานที่บุดีเขายื่นเรื่องเข้าสภาเขาขออนุมัติให้ใช้กองทัพนี่ออกนอกประเทศได้พอเขาไปคุยกับโอมาม่าเสร็จ วันนั้นโอกว่ า, าไปพูดก่อนเสร็จลงมาเขาขึ้นไปพูดคนละเรื่องเลยลัสเซียเริ่มขึ้นนะนะเพราะเขาถูกหลอกมาตั้งนานสมัยก่อนเขาเป็นประเทศใหญ่ถูกหลอกโดยประเทศเสรีปึ้งเจ๊งเลยแตกแยกกันเยอะแยะตอนนี้เขาจะเอาคืนนะก็ไปแกล้งเขาอะไรเขาอาศัยน้ามันเนี่ยรายได้เขา70ิพึ่งน้ำมัน อันนี้ก็ไปด้ำน้ำมันจนเศรษฐกิจเขาพังนะคือมันไม่มีมิตรแท้ในในโลกนี้แล้วก็พอเขาพูดเสร็จเขาก็พบกันนอกรอบสองประธานธิบดีใหญ่นะคุยกันไม่รู้เรื่องพอออกจากห้องประชุมปุ๊บสภาเขาประกาศเลยว่าอนุมัติพอตอนเช้าอนุมัติปุ๊บคืนเขาไปถลม่มซีเรียทันทีฐานที่ตรงอเมริกาหนุน คลื่นมันไม่ดีเห็นไหมทุกวันนี้เรามีผลประโยชน์เป็นที่ตั้งไอ้ทรายมันบอกว่าน้ํามันมึงบ้าเลยอยู่ข้างบนร้อนก็รอนมาอยู่ข้างล่างไอ้น้ำมันบอกว่ามึงนะ่ะยิ่งบ้าอยู่ข้างล่างไม่มีอากาศหายใจมาอยู่ข้างบนเห็นไหมไอ้เกลือบอกไอ้สองคนมึงเถียงกันทําไมผู้จ้าบอกทางสายกลางมาอยู่ตรงกลางดีกว่าคุยกันไม่รู้เรื่อง ทรายก็ต้องอยู่อย่างทรายน้ำมันก็อยู่อย่างน้ำมันเกลือก็อยู่อย่างเกลือมันจะไม่เหมือนกันได้ยังไงนี่คือนานาจิตตังถ้าพวกเราเข้าใจนาณาจิตตังเนี่ยเราไม่ทะเลาะกับใครเราต้องยอมรับเขาเป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยเราอยู่ร่วมกันนะเพราะครูบอกนะเราไปทํางานวันหนึ่งเราก็แก่ไปวันหนึ่งเสียเวลาวันหนึ่งอย่างน้อยๆให้มันกําไรความสุขแต่ถ้าคนมันคุยกันมีเรื่องมองหน้ากุกบไม่อยากมองหน้าลยอึดอัดทําแบบอย่างนั้นน่ะนะ เธอก็เครียดฉันก็เครียดเนี่ยต่างคนต่างโง่นะเออเมื่อเราเวี่ยงทิ้งแล้วเราต้องการเป็นคนฉลาดลนะเอาละสมัยก่อนที่ผ่านมาเราเป็นผู้ไม่รู้นะผู้ไม่ผู้ไม่รู้ทาผิดไม่เป็นไรแต่หลังจากเป็นผู้รู้แล้วไปทาผิดเนี่ยถูกลงโทษสองต่อนะนะเหมือนตำรวจเนี่ยถือกฎหมายเดิมถ้าทําผิดกฎหมายเสเองถูกลงโทษสองต่อตอนนี้เราขึ้นชื่อว่าเป็นผู้รู้รู้แล้ว รู้ว่าชีวิตคืออะไรนะไม่มีเหตุผลต้องทำร้ายตัวเองอีกต่อไปนะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราอยู่ร่วมกันนะต่างคนต่างช่วยกันพึ่งพาอาศัยกันการแข่งขันคือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกนะเราเคยถูกสอนว่าให้แข่งใครแพ้ไหมเออ มาแข่งดูว่าใครแพ้ไม่เนี่ยแข่งเพื่อชนะแล้วแข่งสมวนาใครเร็วกว่ากันใช่ไหมเออมันน่าจะจัดกีฬาใหม่นะครูพละก็เยอะนะต่อไปให้เด็กวิ่งร้อยเมตรว่าใครวิ่งช้าที่สุดคนนั้นเป็นที่หนึ่งเขาเอาหรือเปล่าเห็นไจริงๆแล้วในทางศาสนาพูดกลับกันนะเรายอมแพ้คนเพื่อชนะกิเลสดีกว่าแพ้กิเลสเพื่อชนะคนแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร คำนี้ลูกน้องพ่อครูเนี่ยสมัยอยู่อเมริกามันไปวัดมันก็มาพูดว่าพ่อครูมันไปไกลเนี่ยโดนเตะแพ้มันจะเป็นพระยังไงเป็นคนโง่เคยด่ามันนะแต่หลังจากเราเราเบิดแล้วเราต้องรู้ว่าอ๋อทําไมแพ้เป็นพระเรายอมแพ้คนเพื่อชนะกิเลสเรานะเราก็ไม่ทุกข์ไงเห็นไหมเออเขาอยากชนะเออให้เขาชนะเถอะเรายอมแพ้เขาเราเป็นผู้แพ้แพ้เป็นพระเราเป็นพระผู้ให้ให้ความสุขเขา เห็นไหมเขาไม่ต้องไปเจ็บตัวไปสู้กับมันไปตีกับมันเห็นไหมเหรอพราะครูมาใหม่ๆที่นี่หมู่บ้านนี้เนี่ยมีแต่ป่านะไม่มีหลอกไฟฟ้าอะไรบังเอิญเข้าไปในหมู่บ้านใหญ่นั่นน่ะนะก็ไปดูชุมชนเพราะครูก็ไปช่วยเขาทําโรงเรียนวัดเขาขาดอะไรเนี่ยพวกว่าเออขาดอะไรเขาต้องการศาลายังไม่เสร็จต้องการเงินเท่าไหร่ตอนนั้นเขาบอกว่าสองแ 0,000 นกว่าเออเดี๋ยวจะเอาผ้าป่ามานะนะแล้วก็ไม่ต้องหักค่าใช้จ่าย เดี๋ยวพ่อครูเลี้ยงคนทั้งตำบลเองนะขออย่างเดียวอย่ามีเหล้านะวันนั้นนะไอ้พวกขี้เหล้านั่นเขากัดฟันเลยนะพวกนักเลงแถวนี้นะนะแต่เนื่องจากว่าเขาอยากได้สตังเรามันก็เลยไม่กล้าทําอะไรพอเสร็จแล้วเขาเขาก็ให้พ่อครูเนี่ยไปพูดบนเวทีนะตอนนั้นอหังการมากนะพ่อครูว่าจากนี้ไปนะ ไม่มีใครสามารถชนะพ่อครูได้เขากัดฟันมองหน้าพ่อครูเลยเพราะพ่อครูไม่ยอมสู้กับเขาไงมันจะชนะเราได้หรือเปล่ามีทางเดียวที่เราจะไม่ไม่ชนะหรือแพ้คือเราอย่าไปสู้กับมันถ้าเราสู้พุ่มมันก็มีแพ้มีชนะเราเป็นนักมวยใช่ไหมชกกันชกกันโอ้ฉันชกเธอชกฉันพอเสร็จแล้วไอคนที่ชนะถูกยกมือก็เกือบตายเหมือนกัน แพ้ก็เจ็บชนะก็เจ็บเพราะครูจึงเลิกโชคไงนะไม่ใช่นักมวยจริงๆนะเราเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เกมธุรกิจนะทุกวันนี้เนี่ยธุรกิจนิยมเขาพูดยังไงดูไหมเขาบอกว่าต้องเพิ่มอาวุธทางปัญญาพูดหน้าตาเฉยเลยนะเพราะคูบอกเพิ่มอาวุธทางปัญญาจะไปฆ่าเสือหรือลิงหรือช้างเอามาทำร้ายคนด้วยกัน แค่คเฉยๆก็เป็นมนุ ก, กรรมมานะเขาไม่ได้คิเฉยๆเขาทําจริงๆเลยการเบียดเบียน เ, เกิดขึ้นแล้วแล้วมันจะไปสุกได้ยังไงนะพ่อครูมาที่นี่เรียนรู้กับชาวบ้านนะอันดับแรกศูนย์ยังไม่เกิดพ่อครูทําไล่แหลมทองทําแหล่งอาหารก่อนศูนย์ปากทองเพราะเราต้องอยู่ต้องกินธรรมดา ผู้เจ้บอกต้องมีปัจจัยสี่ก็มีความสุขตามอัตภาพแล้วแล้วปัจจัยสี่อย่างนี้มาจากภาคเกษตรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่อาศัยแล้วเขาก็ใช้ไม้เนี่ยไม้เต็มไปหมดตอนนี้ล่ะเออมาตอกป้ป้งโ ป, ง, ป, ง, ป, ง, ปงก็เป็นที่อยู่อาศัยยารักษาโรคสมุนไพรใช่ไหมเครื่องนึ่งห่มฝ้ายไหมมาจากภาคเกษตเรเนี่พอคูทําเกษตรเพื่อชีวิตม่ใช่เพื่อธุรกิจ ทำมาหากินไม่ใช่ทำมาหาขายทำอยู่ทำกินทำทานทำเพื่อทำชาวบ้านก็แย้งพ่อครูทำอยู่ทำกินมันไม่พอกินแล้วไปทำทานทำไมนะทำทานสำคัญกว่าทำอยู่ทำกินด้วยนะการให้ทานนะเขาไม่เข้าใจหรอกนะมีลุงคนหนึ่ง เป็นอดีตทาหารผ่านศึกขยันมากตีสองก็ไม่นอนทำเกษตรฉีดยาฆ่าแมลงอะไรๆ ต, ตีสองตีสามตื่นเช้ามืดก็ไปซื้อไอ้สามล้อเครื่องเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยขนพืชไร่ไปขายขยันมากเลยแต่ว่าไม่พอใจนี่แล้วพวกครูบอกว่าเรียกเขามาปฏิบัติธรรมเขาก็บอกว่าไม่มีจะ ก, กินไปนั่งหลับหูหลับตาคล้ายๆใช่พรอครูบอกไปเชิญมาหน่อยนึง Premises, เขามาเวียงแล้วเขาจะรู้ว่าเขาไม่มีจะ ก, กินเพราะอะไรเห็นไหมพอมาเวียงเวียงแล้วอาเจียนอ้วกแตกอ้วกแตนนะกินเหล้าไม่ได้สมัยก่อนไปขายของมาแล้วเนี่ยได้เงินมาปุ๊บยังไม่ถึงบ้านไปถึงสี่แยกเพื่อนชวนมาเฮ้ยมานี่มานี่เออเข้าไปเซเว่นในหมู่บ้านไม่ใช่เซเว่นอีเลเว่นนะเซเว่นเทนะ เราไปเหเซเว่นอีเลเว่นที่ศูนย์เราก็มีเซเว่นเซเว่นเทนเอาเ7วตีซเวนดีกว่าที่นี่เรียกที่บ้านเจ็ดสิบเจ็ดเนาะเอาเหล้ามาขวดนึงนะกินเมากูรักมึงมึงรักกูชนแก้วพอหมดแล้วเนี่ยเอามาอีกขวดนึงขวดที่สองไม่มีมเงินพอจ่ายละแปะโป้งพอกลับไปถึงบ้านเมาหน่อยหนึ่ง ภรรยาถามหาเงินตบแล้วมึง่ากเก่งน ะ, น ะ, นะมึงจะเก่งน ะ, นะพะมาเหวี่ยงแล้วกินเหล้าไม่ได้นะไปขายของได้เงินมาเพื่อนเรียกอีกว่าให้กูปวดท้องรีบกลับบ้านเอาเงินให้ภรรยาฉันรักเธอเธอรักฉันไม่มีรายได้เพิ่มก็อยู่ดีมีสุข เห็นไหมเรามานั่งแล้วเราจะรู้ว่าเราไม่มีกินเพราะอะไรมันจะเกิดปัญญาเห็นไหมนั่นแหละไม่บอกว่าอุ้ยไม่มีจะกินแล้วมานั่งหลับหูหลับตามันจะเกิดปัญญาได้อย่างไรแล้วสุดท้ายแกมานั่งแล้วตอนนี้เป็นเกษตรกรดีเด่นของภาคอีสานเห็นไมพลิกพลิกชีวิตเลยนะ บางเนี่ยเพราะคุถึงว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่ไปมุ่งจะหารายได้เพิ่มหาเพิ่มปุ๊บก็จ่ายจ่ายเยอะหาเพิ่มก็จ่ายเยอะเห็นไหมล่ะมันเมื่อไหร่มันจะจบพระพุทธองค์สอนให้ลดละเลิกเพิ่มรายได้โดยการลดรายจ่ายนะมีรายรับมาจ่ายนิดเดียวก็มีรายได้เหลือก็เก็บหอมหลอมนิดเพราะกูอบรมชาวบ้านนี่นะ คือเราต้องใช้ภาษาแบบสมัยใหม่นะโดยเฉพาะผู้ชายในหมู่บ้านเขาไม่มีเอนเตอร์เทนเขาไม่มีสถานที่โปลดปล่อยนะมันก็กินเหล้าแม่บ้านก็ไม่มีอะไรก็นั่งเกาะกลุ่มกันเล่นไพ่นะเธอกินเหล้าฉันเล่นไพนะ่พอเงินออกมาเนี่ยเวี่ยงทิ้งหมดเบี่ยงเงินทิ้งนะเอาเงินอนาคตมาใช้เนี่ยนะ ยิ่งทำงานรายวันเงินเดือนออกมาเดือนหนึ่งปุ๊บเนี่ทำงานทั้งเดือนเนี่ยจ่ายวันเดียวจ่ายวันเดียวพวกครูก็อบรมเขาว่าพวกเราอยากได้เงินไหมเขาบอกอยากได้เรารักเงินไหมรักรักเงินเบี่ยงมันทิ้งทําไมกอดมันไว้สิเอาไว้บนหิ่งไหว้มันทุกวันนะเดี๋ยวมันออกลูกออกหลานตอนนี้เราไม่รักมันเลยมาปุ๊บฉันเบี่ยงทิ้งเบี่ยงทิ้งแล้วมันจะอยู่กับเราได้อย่างไร หาเงินเกือบตายว่าเราชอบเงินชอบจริงก็อย่าเบี่ยงมันทิ้งสิเก็บไว้เห็นไ้ยส่วเราเก็บไว้ธนาคารออมทรัพย์เนี่ยมันก็ออกลูกนะมันออกดอกเบี้ยออกผลอย่างนี้นะเห็นหแล้วก็ไม่ต้องไปทรมานตัวเองอีกไปใช้เงินแล้วก็ไปกินเหล้ามอมตัวเองเไม่เอายาพิษเข้าไปนะเมื่อวานพ่อครูบอกว่าวิธีรักษาโรคที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้เกิดโรค วิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่ดีที่สุดคือรักษาความสะอาดสะอาดจิตสะอาดร่างกายสะอาดสิ่งแวดล้อมแต่ตอนนี้เราอยู่กรุงเทพสิ่งแวดล้อมมีมวลภาวะเหลือบ่ากว่าแรงเราเราก็ทําได้แค่บ้านกับโรงเรียนเรานะเพราะเราอยู่ใกล้มันตลอดเวลาถ้าโรงเรียนเราสะอาดสิ่งแวดล้อมดีเราก็หายใจสิ่งที่ดีๆเข้าไปชนออกไปข้างนอก เ, นเราก็ต้องป้องกันตัวเราต้องสะอาดจิตสาร่างกายต้องสร้างภูมิคุ้มกัน นะฝึกจิตเป็นอย่างนี้นะมีวัดพระอาจารย์เศร้าหลินน่ะมีคนหนึ่งแต่อย่าเรียนแบบและทุกคนไม่ใช่ทุกคนทำได้เอายาพิษมาแก้วหนึ่งเลยท่านดื่มให้ดูมันจะขับออกมาทุกวันนี้เรากินข้าวเห็นไหมเรากินข้าวแล้วก็เอาฟันมาเคี้ยวน้ำลายก็ย่อย อ, ย, อ ย, ย่อยโปรตีนส่วนหนึ่งเขาลงไปปุ๊บนี่ยลำไส้กระเพาะก็ย่อยส่วนหนึ่งมันเอาของดีมาใช้เห็นไหม ของเสียขับทิง้งแล้วมีออโตเมติกตรงนี้แต่ตอนนี้ภูมิคุ้มกันเรามันไม่เต็ม้อยมันทำงานไม่เต็มรอยเมื่อสารพิษเข้าไปแล้วมันขับไม่หมดนี่คือมะเร็งเขาเรียกว่าสารตกค้างเมื่อเราเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไม่ได้เลยเราต้องเปลี่ยนให้ตัวเองมีมีภูมิคุ้มกันตอนนี้พรอครูกินอะไรผิดเนี่ยนิดเดียวเนี่ยมันออกมาเดี๋ยวนั้นเลยมันรู้นะนะ พ่อเราไม่ได้กินจุกจิกอะไรอะไรนั่นแหละนะพระแขกให้กินอะไรก็กินเพราะว่าแลกอาหารเขามือหนึ่งเพื่อทํางานให้เขาเนาะ <c oughs> เราก็เลยปลอดภัยไงเห็นไหมถ้าเรากินมากมากเกินไปแล้วเนี่ยร่างกายมันก็ไปติดมันเนี่ยเขาเรียกว่าร่างกายเหมือนเราติดยานั่ยนะติดบุหรี่ติดยาเสพติดเนี่ยเมื่อเราติดยาแล้วนี่ถ้าเราขาดมันปุ๊บเราก็ลงแดงติดเหล้าก็ขาดปุ๊บก็ลงแดง คือร่างกายมันสร้างอุปทานให้ติดมันแล้วนะพอเราขาดมันปุ๊บมีผลสำหรับเรานะเดี๋ยวโรคเบาหวานความดันโรคตับโรคไตอะไรมาตามกันเลยนะก็ตอนนี้ขึ้นชื่อว่าไม่ใช่เพราะครูคิดตูนะหลงมาเองหลงมาที่ศูนย์เองนะเมื่อให้ความรู้แล้วถือว่าเราเป็นผู้รู้แล้วนะรู้ว่าชีวิตคืออะไรความสุขจริงๆมันคืออะไร นะคนนี้รู้ไหมความสุขมันรูปร่างหน้าตายังไงมันมีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรบอกพ่อครูหน่อยมันเป็นแบบไหนใครวาดได้บ้างวาดตัวความสุขให้พ่อครูหน่อยหนึ่งเอาเมื่อเราไม่รู้มันเป็นอะไรเราสแสวงหาความสุขเรากาลังสแสวงหาสิ่งที่ไม่รู้เรางมเข็มในมาหาสมุทรนะเห็นไหมทุกคนว่า เลี้ยงเก่งๆหาเงินเยอะๆต่อสู้เพื่ออนาคตอนาคตมั่นคงแล้วได้อะไรจะได้ความสุขความสุขมันคืออะไรล่ะเพราะกูถูกหลอกไป4ี่สิปีนะไปงมหาความสุขที่อเมริกาไม่เห็นไม่มีมีแต่ความสะใจความสะดวกสบายความสนุกสนานเท่านั้นเองเพราะกูหาไม่เจอความสุขมันไม่มีเห็นไหม เราตั้งโจนให้ชีวิตแบบเลื่อนลอยอ่ะเหมือนนักวิทยาศาสตร์ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ออยนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยเขากำลังสแสวงหาปฐมเหตุนะบางคนก็วินิจฉัยว่าโลกจักรวาลนี้เกิดมาจากการบิ๊กแบงแล้วก็ถามต่อว่าพ่อคูถามต่อป่ะแล้วอะไรที่มันทำให้บิ๊กแบงไม่ใช่บิ๊กแบงมันเกิดขึ้น ล, ยลอยนะมันไม่มีปฐมเหตุนักวิทยาศาสตร์ก็สแสวงหาสิ่งที่มันไม่มี เราก็แสวงหาความสุขซึ่งมันไม่มีไม่มีในโลกนี้ไม่มีความสุขมีแค่ทุกข์มากทุกข์น้อยเท่านั้นเองวันนี้เราช่วยกันถูพื้นเห็นไมที่พื้นนี่มันสะอาดเพราะอะไรเราเอาความสากรปรกออกเท่านั้นเองความสะอาดมีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมถ้าเราต้องการสุขแค่เอาความทุกข์ออกเท่านั้นเองนะความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระเห็นไมสี่ห้วันนี้พวกเราอิสระไหมเห็นไหม เ, ออเต้นแบบอิสระไม่อายเลยนะไม่มีมารยาทเ <c oughs> ห็นไหมพวกเรากลายเป็นคนไม่มีมารยาทเห็นไหมเห็นไหมทาสามันไม่มีมารยาทมันจึงไม่เครียดไงนะพวกเราเนี่ยมีมารยาทเราก็กลัวว่าเขาว่าเราไม่มีมารยาทความกลัวทําให้เราเสื่อมละนะเพียงแต่ว่านะ กลับไปโรงเรียนหรือกลับไปบ้านเนี่ยต้องมีมารยาทนะเดี๋ยวเขาว่าเราเป็นบ้า <c oughs> แนวทางที่เราปฏิบัติเนี่ยเนื่องจากมันไม่มีแนวไม่มีสูตรสําเร็จเนี่ยนะเพราะครูบอกล่วงหน้าก่อนอยังไม่สายเกินไปนะปฏิบัติไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเราจะกลายผลเพี้ยน <c oughs> เพี้ยนจากสายตาเพื่อนฝูงทำไมก่อนมันชวนให้ hey เบื่อชีวิตได้มันนำงานเหนื่อยไปกินเหล้ากูไม่ไปแล้วเพีย น, น่อยอนี่เพียนแล้วเห็นไหมเราจะเพียนในสายตาเขานะไอ้ที่เคยทําบัดเขาเราจะไม่ทํามันจะหยุดเองนะเราจะถูกเพื่อนด่าว่าไอ้นี่เพียร น, นะกลายเป็นว่าทําไปทํามาจะไม่มีเพื่อนนะนะพาะครูหนีไปอยู่ในป่าเลยเพื่อนพ่อครูเยอะแยะเลยเห็นไหมลูกหลานเต็มไปหมดเลยทําไมกลัวจะไม่มีเพื่อน แต่พวกที่เล่ากลัวจะไม่มีเพื่อนถ้าเพื่อนแบบนั้นไม่ต้องคบดีกว่าใช่เราจะเป็นคนเพี้ยนนะและปฏิบัติไปปฏิบัติมาเนี่ยเราจะเป็นคนสิ้นคิดน่ากลัวนะ <c oughs> เขาด่ายนี่สิ้นคิดนี่หมายถึงคนโงนะ่นะนะคือเราจะไม่ต้องคิดอะไรนะ เราก็ทำงานเราเต็มที่ไปคิดมันทำไมไม่ใช่ทำด้วยคิดด้วยคิดให้มันสับสนว่าวุ่นทำไมเราจะเป็นคนสิ้นคิดและทำไปทามาปฏิบัติถ้าเราไม่เลิกปฏิบัตินะเราจะเป็นคนไม่มีอนาคตกลัวไหมทุกคนกลัวหมดเราจะอยู่ปัจจุบัน อนาคตอย่าไปห่วงมากนะพรุ่งนี้ก็อนาคตปีหน้าอนาคตชาติหน้าอนาคตมันมีอยู่แล้วอนาคตอย่าไปห่วงทําปัจจุบันให้มันดีที่สุดเราระบายสีอยู่ระบายห้าสิบเปอเซ็ตไปคิดว่า เ, เสร็จแล้วจะไปทําอะไรมันก็ระบายถูกระบายผิดใช่ไหมมันระบายห้าพรุ่งนี้อนาคตสีแห้งได้5 0า แต่ถ้าเราไม่มีอนาคตเนี่ยเราระบายสีร้อยเเซนตเลยตั้งมั่นระบายนะมีสมาทิ่ตั้งมั่นสติตื่นรู้ปัญญาไหลามาวาดได้สวยมากอารมณ์มันไม่แทรกนะช่วงที่วาดอยู่นะเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะไม่มีความกังวลอะไรเลยมีความสุขกับงานที่เราทำพรุ่งนี้สีแห้งพรุ่งนี้อนาคตเป็นยังไงได้100นะร้อยเปอร์เซนะเราปฏิบัติไปเรื่อยๆล้วจะเป็นคนไม่มีอนาคตน่ากลัวนะ แล้วถ้าไม่หยุดปฏิบัติอีกปฏิบัติไปปฏิบัติมาเราจะไม่มีวันผุดวันเกิดอันนี้ยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยเอาไหมไม่มีวันผุดวันเกิดเอาไหมสมัยโบราณเนี่ยคนแก่เขาเูาเาดเล่นเหมือนสาบแช่งกันขอให้ไม่มีวันผุดวันเกิดเขายกมือสาทุให้มันเป็นอย่างดังที่พูด ถ้าเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนะ่มีอย่างเดียวท่านั้นอย่ากเกิดเด็ดขาดแล้วเราทำได้ด้วยแก่มาลูกก็โอยนั่งก็โอยเห็นไหมพ่อครูถามคุณยายว่านะเดินไปห้องน้ำคุณยายแก่ดีไม่บอกไม่ดีสู้ตอนสาวไม่ได้คุณยายจำแม่นๆนะห้ามแก่อีกแก่ก็งงแล้วทำยังไงล่ะก็อย่ากเกิดอีกสิ นะไม่มีวันผุดวันเกิดน่แหละมันก็ไม่ต้องแก่ไงเห็นไหมล่ะบางคนเกิดมาเนี่ยยังไม่แก่เลยนะเกิดมาวันแรกก็ตายละเห็นไหมแต่มันหนีไม่พ้นสี่อย่างเกิดแก่เจ็บตายแต่ไม่ใช่ว่าต้องครบองค์นะบางคนอายุยาวนั่นนะเพราะกรรมยังไม่หมดไม่ใช่ดีนะ แต่บางคนอายุยาวเพราะบุญยังเหลืออยู่ไม่ใช่มันไม่มีสตดสาเร็จนะบางคนอายุสั้นเพราะหมดกรรมบางคนอายุสั้นเพราะหมดบุญมันไม่มีสูตรสาเร็จนะก็มันสั้นก็ช่างยาวก็ช่างขอให้เราไปดีๆนะไปแบบไม่ต้องทุกข์ทรมานแล้วก็ไปดีที่สุดคืออย่า ก, กลับมาอีก กลับมาอีกวันแรกมันก็แหกปากร้องเลยเห็นไหมไม่เจ็บไม่จำชอบทำาไรเรื่องเก่าๆเราปฏนะิบัติไปไเรื่อยๆเดี๋ยวเราฉลาดขึ้นแล้วจะมีปัญญาขึ้นนะส่วนทางโลกเราทิ้งสมบุติบัญญัติไม่ได้ทิ้งกติกาโลกไม่ได้เราก็อยู่กับมันอย่างรู้เท่าทันมันไม่ต้องไปตามมันทุกเรื่องนะพ่อครูถูกว่าพ่อครูเนี่ยพวก ไม่ทันสมัยนะล้าสมัยเขาออกรุ่นใหม่เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยพวกครูบอกพูดผิดพูดใหม่นะพ่อครูเนี่ยทันสมัยมากเลยแต่พ่อครูไม่ตามสมัยพวกเราตามสมัยไหมเออไม่ได้ทันสมัยซะหน่อยหนึ่งตามมันทุกรุ่นใหม่ก็ตามมันอย่างนะครับเป็นทตามันเนี่ยนี่พวกตามสมัยไม่ใช่ทันสมัยพากครูรู้เท่าทันสมัยมากพ่อครูจึงไม่ตามมันไง ต้องทันสมัยอยู่กับสมัยรู้เท่าทันสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเมื่อเรารู้เท่าทันพวกเราจะมีเกราะป้องกันภัยไม่ใช่ไปตามเขาทุกเรื่องถ้าเราทํามาใกล้นะเอออย่างเรานั่งอยู่อย่างนี้นะมีคนกลุ่มหนึ่งมันวิ่งมาเร็วมากเฮ้ยมันไปไหนกลัวไม่ทันมันไม่รู้ล่ะวิ่งตามมันเลยมันพาลงเหวก็ลงเหวตามมันกลัวมันไม่ทันมันนี่แหละทุกคนนี่เป็นอย่างนี้นะ เขาเร e ียกว่าเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันส่งข้อความลงส่งไลน์มาเนี่ยนะเห็นปุ๊บส่งต่อเลยกลัวกลัวจะช้ากว่าเขาไม่เคยคิดวิเคราะห์เลยตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะเออเราไม่ได้ทันสมัยเราตามสมัยภาษาอังกฤษบอก follow is mean behind ตามแปลว่าไม่ทันอยู่ข้างหลังตลอดนะพ่อครูไม่ตามสมัยพ่อครูทันสมัย นะไม่ทันสมัยกล้าปฏิบัติธรรมแบบนี้หรือเปล่านี่เวอร์ชั่นใหม่นะสดสดสิงสิงเลยมีแห่งเดียวในโลกพวกคูไปมาแล้วไปอินเดียไปไปจีนนะหลังจากปิดตัว2ี่ปีก็ไปดูนะวิธีเบี่ยงเราน่ะสุดยอดวิธีเข้าไปในจิตเร็วที่สุดในโลกนะแต่อะไรที่มันเร็วเนี่ยมันก็แรงนะ ตอนนี้เราไม่ได้กังวลในเรื่องเข้าไปในจิตนะแต่บางทีเขาฝึกจิตนะฝึกสติฝึกสมาธิสามี่สิบปีบางทีก็เข้าไปไม่ได้นะเพราะเขาไม่เข้าไปเห็นไหมพระอาจารย์ใหญ่มาจากไต้หวันอนะ่ะแล้วก็ภิกษุณีอีกสมรูปมาที่นี่สี่รูปนะเขาได้ยินข่าวที่นี่เขาบอกให้เขาหมุนนะนะเขาฝึกมาตั้งหลายสิปีนะเขาบอกมันหมุนแล้วเนี่ยแกมาถามเพราะกลัวจะเข้าไปจิตได้ยังไง ก็บอกอาจารย์ไม่ยอมเข้าไปเองเนี่ยมวยจมุนอยู่ตรงนั้นแหละอา้าขวาซ้ายแล้วกําหนดที่ขวาแล้วมันก็อยู่กับขวาอยู่ที่ซ้ายก็อยู่กับซ้ายแล้วกําหนดที่เท้าก็อยู่กับเท้ามันจะเข้าไปในจิตได้ยังไงก็เราไม่เข้าไปเองเห็นไหมแล้วมีสายหนึ่งตอนนี้มันนั่งดูจิตดูจิตไอ้บ้านหลังนี้มันชื่อว่าจิตก็นั่งดูมันดูมันแล้วก็เห็นเงาของมันนะ แล้วไปส่องหน้าต่างดูมันก็ยังเปื้อนอยู่เหมือนเก่าเคุณจะไปดูมันทำไมคุณก็เปิดประตูบ้านเข้าไปในจิตไปขัดเก่าจิตให้โปองใสนี่คือกายในกายเวทนาในจิตในจิตธรรมในธรรมผู้ชาไม่ได้พูดอะไรผิดแต่เราไปเข้าใจผิดเราไปเรียนรู้แบบตักกะมาใหม่เป็นรุ่นน้องไปเรียน A.B.C ฉันเป็นรุ่นพี่นะนะคุณหารู้ไมว่าจิตเขานีจบปริญญาโทมาแล้วแทนที่จะให้เขาต่อเอกจาไปเรียนอนุบาล เพราะเราไม่เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณทีนี้ใครรู้เหรว่าจิตมันจบชั้นไหนมาปลดปล่อยเขาเขารู้เองว่าเขาจะต่อยอดอย่างไรนะนี่คำว่านานาจิตตังเนี่ยนะไม่ใช่ว่าทุกคนมาจับกฎเป็นอนุบาลหมดเลยเนี่ยแล้วที่เขาฝึกมาหลายชาติมันศูนเปล่าสนะินนี้พูดให้เข้ า, ขานะก็เรารู้แนวทางแล้วเนี่ยนะแล้วก็ กลับไปเนี่ยพาะครูไม่ได้ขออะไรนะบางคนปรึกษากลับบ้านทำยังไงเช็คกิ้งสักห้านาทีส0นาทีก็พอแล้วหละเวลาเข้าห้องน้ำตอนเช้านะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมันเหนื่อยไปไม่มีไม่มีแรงไปทำงานนะเอาแค่มันตื่นเห็นหมเหมือนสุนัขมันนอนหลับทั้งคืนมันนอนทับมันเองลุกขึ้นมามันก็ checking, ชชเช็คกิ้งจากคลายความตึงเครียดแล้วมันก็เห่าหอน คลายอารมณ์เครียดเห็นไหมมันถึงไม่เป็นมะเร็งไงพวกเราเนี่ได้ยังไงแค่นี่ต้องชําระก็แบกอยู่เนี่ยแล้วมะเร็งนจะไปไหนล่ะเราเราเราเร า, เราสร้างมันขึ้นมาเองนะมะเร็งนะเพื่อมันเครียดแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันก็ทํางานไม่เต็มร้อยสารตกค้างมันก็ขับออกไม่หมดมันก็กลายเป็นเนือ้อก้อนเนื้อขึ้นมานะนี่แหละเช็ค ก, กิ้งวันหนึ่งหนาทีสิบนาทีอยู่ในห้องไม่ต้องมีเสียง ไอ้เสียงนี่เป็นอุบายวิธีเริ่มต้นเท่านั้นเองให้มันเกิดเหมือนเราสตาร์ทบิ i n นิ่งคือสตาร์ทให้มันติดเฉยๆเี่ยลองลองสังเกตดูนะเดี๋ยวคืนนี้ไปนอนเนี่ยลองลอ ง, ลองนั่งหลับตาดูเดี๋ยวมันก็หมุนไม่ต้องมีเสียงนะแล้วก็กลางคืนเนี่ยตอนเย็นนี่อาบน้ำเสร็จแล้วถ้ายังไม่อาบจิตเนี่ยห้ามนอนเด็ดขาดอาบไม่สมบูรณ์อาบแต่ข้างนอกข้างในไม่อาบเนี่ยข้างในเปื้อนมากนะจิตเราเปื้อนนะ ไม่ใช่เพื่อนทุกวันนะเพื่อนทุกนาทีอะไรเผลอปุ๊บดูดอารมณ์เข้ามาเปื่อนหมดนะอาบจิตสักยี่0บนาทีนะแล้วก็ทาได้เรื่อยต่อไปนอนก็ไม่ต้องฝันที่เราฝันนั่นมันเอาขยะออกนะแต่ฝันนี่ดีนะถ้ามนุษย์เราไม่ฝันบางทีเป็นบ้าหมดเลยมันล้นไงมันมันขับออกแต่ดีที่สุดคือไม่ต้องมีอะไรให้มันฝัน คือล้างออกทุกวันนี่คือขัดเกลาจิตให้ผ่องใสส่วนวันไหนว่างๆมีเวลาเยอะก็ทํายาวหน่อยหนึ่งคือประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะเอาของใหม่ประจําวันออกแต่ถ้าเลยครึ่งชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยมันจะเข้าไปข้างในเอาของเก่าออกด้วยทีละเน็ตเทนน้อยนะเหมือนเราที่นี่เรามาเทาน้ําทิ้งครึ่งแก้วแล้วนะพอเรากลับไปยิ่งเรามีสุญญากาศเนี่ยมันจะมีแรงดูดอารมณเข้ามาบางคนถามพ่อครูว่า ทำไมเอดีทำไมมาเต้นแล้วอารมณ์มันมันเร็วมันมันมันมากขึ้นมันไม่ได้มากขึ้นมันน้อยลงแต่ว่าเราเห็นมันชัดขึ้นนะก็กลับไปบ้านปึ๊บปิดฝามันด้วยฝาเนี่ยฝาแก้วนี้เปรียบเสมือนสติถ้าสติเราไม่แข็งแรงนะถูกไอ้ลูกโตๆชนป๊บมันก็กระเพื่อมมันก็โดดเข้าไปอีกสตินี่เท่ากับฝา นะปชั่นป้องกันพอกลับมาปุ๊บเราก็เปิดฝาเททิ้งอีกเททุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็หมดหรือว่าขี้เหนียวกิเลสฮ้ท <c oughs> นะี่เหนียวกิเลสไหมเพราะครูเคยถูกเชิญไปบรรยายที่อำเภอของเจียมกระทรวงศึกษาเขามาจัดอบรมผู้บริหารครูผู้บริหารครูในจังหวัดในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง เขาคิดสนุกอะไรไม่รู้เชิญพระครูไปนะหกโมงเช้าสองวันวันละสองชั่วโมงทุกปีเขาจัดเขาก็นิมนต์พระท่านไปเทศอันนี้เขาเชิญพระครูไปพูดพระครูก็แต่งชุดปกติพระครูสีดนะํานือชุดชาวนาพระครูก็ลากรองเท้าแตะไปพูดนะแต่รู้ว่าจะไปพูดในห้องแอร์พระครูก็เอาเสื้อคลุมไปด้วยกลัวมันเย็นพอไปถึงปุ๊บพระครูก็ไปนั่งอยู่บนบันลังนะบันลังนะ 6กแล้วก็แล้ว6โมงห้าทีก็แล้วผู้บริหารยังเจียวจาวอยู่พวกครูบอกว่าอรุณสวัสดิ์ท่านผู้เจริญเออมันเงียบได้หน่อยหนึ่งเข้าใจไหมเงียบทีนี้บรรยายพวกครูเห็นจิตหมดพอวันที่สองก็เปิดอกาสให้ถามชั่วโมงสุดท้ายบางคนก็กล้ายกมือถามบางคนก็เขียนกระดาษเด็กๆเข้ามาเขาถามว่าวิทยากรคิดอย่างไรกับเครื่องแต่งกาย นะเขาเขาคิดอะไรพ่อครูรู้คิดว่าพ่อครูเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวนะไม่รู้กาละเทสะพรอครูไม่ได้คิดอะไรถ้าคิดก็ไม่กล้ามามันมาเลยนะการที่ว่าเราเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเข้าไปในเมืองนั้นมันเป็นโจรทั้งหมดเราต้องไปเป็นโจรเหมือนมันแต่เราไม่ไปด่าโจรเราล้างถ้วยล้างจานให้โจรก็ได้คาว่ากาละเทสะ พราครูรู้ว่าการเวลาที่จะไปพูดอยู่ในห้องแอร์พ่อครูก็เอาเสื้อคลุมมาด้วยพ่อครูมีสติด้ว่าพ่อครูเป็นเ ก, กษตรกรไทยควรจะแต่งชุดแบบนี้มันเหมาะกับเราไม่ถามก็คือนะคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าแต่งสูททาไมพ่อครูมีมารยาทไม่ถาม <laughs> จริงๆแล้วอากาศเมืองไทยอบอุ่นสบายสบายก็ไปเห่อใส่สูทเรียกว่าเป็นสากลให้มันร้อนแล้วก็เปิดแอร์ให้มันเย็น แล้วก็หาเงินมาจ่ายค่าไฟมันเศรษฐกิจพอเพียงหรือเปล่าพอเสร็จแล้วเขาก็โตมือชอบกันใหญ่เลยแล้วก็สรุปผลประเมินผลว่าชอบมากๆแต่ข้าพระเจ้ายังมีกิเลสอยู่พูดหน้าตาเฉยนะเพราะกูว่าออสองวันนี้พราะกูไม่ได้เสียเวลาเปล่านะอย่างน้อยให้เห็นทุกคนว่ายังมีกิเลสอยู่รักชอบยังไงก็กอดต่อไปพรากูก็กลับมา เราบอกว่าเรามีกิเลสอยู่ไม่ต่างเลยบอกว่าฉันเป็นเอดนะเอดมันก็เกิดมาจากคนมีกิเลสนะเห็นไหมพูดหน้าตาเฉยเลยฉันมีกิเลสอยู่บอกรักชอบยังไงก็กอดต่อไปนะตัวใครตัวมันนะตัวใครตัวมันบุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมันพราะกูก็ไปทําหน้าที่แล้วนะจากนั้นมาพะ ก, กูไม่ออกงานยาวมากเพราะว่า เขาไม่มีศรัทธาเป็นเบื้องต้นเขาถูกเกณฑ์มาฟังไงเห็นไหมบางเอินเขาจับผิดอะไรพ่อคูไม่ได้เลยพ่อครูพูดความจริงทุกอย่างพูดกี่ปีเขาช่างมันก็เป็นแบบนี้แหละไม่ต้องไปจำนะมันไม่ต้องไปนั่งจดนั่งจาแล้วก็เอามาพูดมันไม่ใช่ความรู้นะมันเป็นความจริงมันจะเป่งออกมาจากความรู้สึกจริงนะอันนี้ก็เป็นเกดเล็กเกตน้อยบางครั้ง พวกเราอย่าเชื่อมั่นในความคิดตัวเองมากเกินไปเชื่อมั่นตัวเองดีแล้วแต่ถ้ามากเกินไปมันจะไม่ดีอะไรที่มันเกินไปน้อยไปมไม่ใช่ทางสายกลางนะฟังหูไวหูนะดูตาหนึ่งปิดตาหนึ่งแล้วก็มาพิจารณาก่อนอะไรดูเพราะว่าบางครั้งที่พกูวันเราเห็นเนี่ยเห็นจริงๆเห็นจะริงๆนะเราเห็นจริงแต่เราเห็นไม่ทั้งหมด เห็นไหมงูมันจะกัดเด็กคนนั้นเราไม่เห็นเห็นแต่ว่าพ่อคูผักมันล้มอ่ะชี้ตัวหมดเลยเนี่ยเราสร้างกรรมกับคนที่เขาบริสุทธิ์นี่มันตีกลับนะเห็นไหมเด็กมันก็ไม่รู้เนี่ยมันก็ชี้ว่าเราเราเป็นคนผักเนี่ยเพราะผักปุ๊บเนี่ยงูตกใจมันก็วิ่งหนีเด็กมันก็ไม่ถูกกัดไงแตบางครั้งอย่าเชื่อสายตาตัวเองมากนะเราเราไม่เห็นจิตเขาเราไม่เห็นเจตนาของเขา เป็นการสร้างกรรมครั้งใหญ่โดยเฉพาะสร้างกรรมปกจิตที่เขาบริสุทธิ์นะอันนี้ก็บางทีนิ่งเฉยตำลึงทองแต่ไม่ใช่นิ่งไม่ได้ทําอะไรนะจะเมียลงปุ๊บนิ่งก่อนไม่ใช่เรารู้ว่าอะไรไม่ถูกไม่ผิดนิ่งซะบางอย่างถ้าเราพูดออกไปปุ๊บเนี่ยอาจจะถูกและอาจจะผิดมันมันมีโอกาสเสี่ยงผิดมาเป็นกรรมนะแต่ถ้าเราไม่พูดเราก็ไม่ต้องสร้างกรรมนะี่ แล้วก็โดยเฉพาะเราอยู่ร่วมกันเนี่ยนะหลายสิ่งหลายอย่างมีปัญหากันเกิดขัดแย้งกันเนี่ยนะคำว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเกิน 70% ปซปัญหาในชีวิตเราเนี่ยบางอย่างมันเกิดจากทิฏฐิมรณะเกิดจากอารมณ์ยิ่งพูดเหตุผลยิ่งทะเลาะกันเพราะต่างคนต่างมีเหตุมีผลของตัวเองมันมีธงอยู่แล้วนี่ย น, นะถ้าบางคนเขาขาดสติเขามีอารมณ์อะไรเนี่ยเขาปุ๊บเนี่ยเรานิ่งดีกว่าแต่ถ้าเรา เราไม่มีสตินี่เรานิ่งได้ยังไงมันเป็นคนผิดเนี่ยนะเขาก็ว่าเราผิดเราก็ว่าต่างคนต่างว่าทุกคนเชื่อมั่นในความคิดตัวเองไงโดยเฉพาะในครอบครัวเดียวกันถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยคนหนึ่งแรงคนหนึ่งนิ่งนะเหมือนเหมือนมันชกลมนะ่ะเดี๋ยวมันก็เหนื่อ ย, ม, อยมันก็หยุดเองนะคือคือนักมวยนี่ไม่ใช่ชกเก่งชนะนะคนหลบเก่งชนะลองฝึกหลบสิมันชกเรไม่ถูกเลยเดี๋ยวมันก็เหนื่อยตายเองอะนะ จริงๆเอาเป็นว่าบางเรื่องเนี่ยแก้โดยไม่ต้องแก้อุเบกขาเสียอย่างหนึ่งเมื่ออารมณ์เขาขึ้นอารมณ์เขาหมดมอดปุ๊บเนี่ยเขาจะมีสติเองดีไม่ดีเขามาขอโทษเราด้วยสพราว่าในกองมัด่าเราเราก็เฉยมันยังสงสัยมันด่าแรงมาอีกเราก็เฉยอีกเห็นไหมที่เราเฉยนั่นมันร้อนตัวนะ เฮ้ยอันนี้เกิดอะไรขึ้นมันหูหนวกหรือเปล่าวะนั่นแหะนิ่งเฉยตำลึงทองบรรดาเราครั้งหนึ่งเราเฉยปุ๊บเราได้บุญคืออภัยทานครั้งหนึ่งบรนดาเราครั้งที่สองเราก็เฉยอีกเราก็ได้อภัยทานครั้งที่สองได้บุญเยอะๆเลยอภัยทานนะปล่อยเขาด่าเถอะ เขามีกำลังจำกัดเดี๋ยวเขาก็เหนื่อยเองเอาจริงๆให้มันด่าบอกมึงอย่าหยุดนะกาลังสนุกอยู่เนี่ยแหละเอาเสียงด่ามาเต้นนะเช็คกิ้งดีไหมมาเต้นนาจิตตังดีไหมเออมันด่าเราก็เต้นไงมันยิ่งแค้นใหญ่เลยกูยิ่งด่ามึงยิ่งเต้นเนอบอกทำไมเราต้องไปโง่กับคาด่าเขาล่ะเราต้องฉลาดเอาคาด่าเขาเป็นเสียงมาให้จังหวะเราเต้นสิ แล้่ต่อไปห้ามโง่อีกเด็ดขาดนะคนที่ทำร้ายตัวเองทําให้ตัวเองทุกข์น่ไม่ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแล้วเป็นคนโง่ไม่เอานะเราขึ้นชื่อว่าเป็นผู้รู้แล้วนะกลายเป็นลูกหลานพารานคอยแล้วโง่ไม่ได้นะเดี๋ยวพ่อครูเสียชื่อด้วยนะเห็นหถ้าทุกข์เมื่อไหร่คิดถึงพารานคอยมันจะมีสติทันทีถ้าไม่ไหวจริงๆ ขออนุญาตคุณก้อยมาที่นี่เลยนะมาทําอะไรบ้าๆบอๆสักสองสามวันมันก็หาย น, นะบางเรื่องไม่มีเรื่องนะแค่เราหลุดออกมาจากอารมณ์นั้นเท่านั้นเองมันก็ไม่มีอะไรแม้กระทั่งเจ็บเจ็บเจบนะพ่อครูไม่เห็นใจเลยเจ็บยังบอกให้ให้เหวี่ยงทิ้งไปเรื่อยๆอีกนะ่ะคิดในหันวถ้าเราทําตามพ่อครูเดี๋ยวไอ้ความเจ็บมันก็หายไปมันเป็นอุปทานเท่านั้นเองนะ ปัญหาต่างๆโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยพวกคุูว่าเกินเจ็ดเปซ็นเป็นโรคอุปทานมันไม่ใช่ของจริงนะใครเคยเห็นผียกมือขึ้นใครเคยเห็นผียกมือขึ้นอ่ะรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงยืนขึ้นครับอ๋อมันเป็นแบบนี้เหรอ ฮะรูปร่างหน้าตามันเป็นแบบไหนตัวสูงอ๋อแล้วกลัวไหมอ๋อไม่กลัวเออโอเคเชิญนั่งครับเราเห็นจริงแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงนะเห็นจริงไม่เห็น บางคนเดินป่าเนี่ยเขาบอกผีผีผีตกใจจนวิ่งไม่ออกเลยนะสลบหามมาบ้านเนี่ยกลายเป็นโรคผีหัวโกนผมร่วงหมดเลยนะเราโดนผีหลอกผีมันไม่จริงอะ่ะผีในใจเรามันหลอกเรามันผีหลอกมันไม่ได้จริงผีมันทำอะไรเราไม่ได้นะแต่อุปท า, านที่เราตกใจกลัวนั่นมันจะหลั่งสารชนิดหนึ่งออกมามีผลกับกายภาพเรา มีไหมวิญญาณมีไหมวิญญาณที่เรียกเปรตอสุรกายเทยวดามีแต่เราเรียกว่าวิญญาณระดับต่าเราเรียกเราตั้งชื่อมันว่าผีผีไม่ได้ตั้งเองสันหน่อยหนึ่งคนไทยตั้งมันนะเห็นไหมถ้าฝรั่งมาระบบผีผีมันบอกอะไร <c oughs> มันไม่รู้นะที่เรากลัวผีเพราะเรารู้ว่าผีมันน่ากลัวเกิดมาไม่เคยเจอเราเนี่ยอุปทานแล้วมันมีผลเห็นไมกลัวจนตัวสั่นหมดวิ่งไม่ออกนะ เป็นโรคผีหัวโกรนเลยเห็นไหมอารมณ์เราเนี่ยมันส่งผลทั้งกายภาพหลายโรคเนี่ยเกิดจากโลกอุปทานนะวันนี้ใครถามพวกครูว่าเออคนนั้นเกิดอาการเมื่อวานนี่ยไม่ไม่ยอมออกทุกทีหนึ่งนะอุปทานหรือเปล่าไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่ใช่อุปทานแต่ไม่ใช่อุปทานปัจจุบันที่เราไปคิดให้มันเกิดอุปทาน อยู่ๆเราจะไปหาเรื่องนะเป็นอุปทานอย่างนี้ยังไงมันเป็นอุปทานในอดีต ท, ที่มันฝังลากลึกมาเรากำลังเอามันออกเรากําลังล้างอุปทานออกแล้วก็เรียนรู้กับมันด้วยนะมีพวกนักวิทยาศาสตร์มาเนี่ยเขาเห็นพวกเราเนี่ยเขาบอกอุปทานหรือบอกใช่อย่าเพิ่งหนีนะมาช่วยกันแก้อุปทานให้เขาไม่ใช่พูดปุ๊บกันหนีเลยไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงอย่าทําอย่างนั้น อย่าพึ่งด่วนสรุปว่ามันใช่ไม่ใช่ตามความเชื่อของตัวเองไม่ได้นะอุปทานนั้นแหละแต่เป็นอุปทานในอดีตไม่ใช่จิตปัจจุบันจิตปัจจุบันกล้าไหมมาสร้างอุปทานว่าฉันจะลัมแบบนี้ละ่ะลัมบ้าบ้าบาบาเนี่ยกล้าไม่กล้าเป็นอุปทานไหมแล้วไม่มีเหตุผลต้องทําอย่างนั้นนะ่ะมันเป็นอุปทานในอดีตนะเรากําลังล้างมันออกอยู่เห็นไหมทั้งอุปทานฝ่ายบวกฝ่ายลบนะ นะทั้งฝ่ายกุศลอนะกุศลเนี่ยเราเราล้างออกนะก็ทำํำไมกุศลล้างออกนะไม่ใช่กุศลหรอกกรรมดีนะกุศลมันไม่ใช่กรรมนะกรรมดีก็เอาออกถ้าเราไปติดกรรมดีเนี่ยเราจะไปเสียเวลาเป็นเทวดาคิดเป็นปีๆนี่เป็นพั น, พ, นพันปีนะเสียเวลาชีวิตในวัฏฏะสงสารพราะติดกรรมดีต้องไปใช้กรรมดีกรรมดีก็ต้องใช้นะ ที่พระครูบอกเทวดาทุกมากที่ต้องเสพสุขจำเจซ้ำซากช่วงหนึ่งในชีวิตพระครูเคยเป็นเทวดาที่อเมริกาซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าทํามันสะใจทั้งหมดที่จะทำน่นนะทุกมากเบือ่อเบื่อเมื่อพันทาเรื่องเก่าๆเห็นไหมคิดจะไปเที่ยวรู้หมดมาเที่ยวมาหมดแล้วเนี่ยเทวดาทุกมากที่ต้องเสพสุข อย่าไปเป็นเลยนะนะพัฒนาวันนี้เปิดชื่อจี้ให้ดูใช่ไหมเห็นไหมหมอเขาเนี่ยถูกใจพรอครูเลยเขาสอนให้หมอรักษาคนไม่เน้นรักษาไข้ไข้นี่เวียงมันทิ้งเอาคนไว้ตอนนี้เรารักษาไข้รักษาโรคไงเลี้ยงโรคเพอจะได้ขายยาไปบ่อยๆไปรักษามันไว้ทำไมโรคเวียงมันทิ้งรักษาคนไว้เห็นไมโรงพยาบาลเขาเนี่ยเขาเห็นคนไข้ทุกวัน เห็นคนรักษาคนไว้เอาไข่หนีเขามีคุณธรรมเห็นไมแต่ทุกวันนี้เป็นธุรกิจทั้งหมดเอาเป็นว่ารักษามีแต่ห้องตรวจโรคในโรงพยาบาลห้องตรวจคนไม่ค่อยมีเป็นนั่งรอหมอสามชั่วโมงนะชึ๊กชึหนึ่งนาทีปุ๊บเอายาไปลองไม่ได้มองหน้าเขาด้วยมันไม่เห็นคนมันเห็นแต่ไข่ไข่นี่ราคา เดี๋ยวเอาคุณยานี้ไปโรงพยาบาล น, นะเดี๋ยวเป็นโรคเดรโรคชราเขาไม่เป็นอะไรเขาเป็นแค่คนแก่กายเอาโรคไปโรคโรคชรามันไม่ตั้งชื่อโรคมันก็รักษาไม่ได้งไงคิดเงินไม่เป็นตอนนี้กายเป็นธุรกิจหมดแล้วเนาะแต่เราเปลี่ยนมันไม่ได้มันเป็นยุคทุนนิยมวัฒุนิยมธุรกิจนิยมเราก็ต้องอยู่กับมันนะอยู่กับมันให้ได้นะอย่าอยู่ให้มันเสีย อยู่เสียยังไงถ้าอยู่ไปด้วยทุกไปด้วยเนี่ยเราเสียชีวิตแล้วได้อะไรเราต้องสุขกับมันเห็นไมไม่มีก็สุขมีก็สุขเรื่องเราจะไปทุกข์กับมีกับไม่มีนะถ้าจำเป็นต้องรวยก็รวยเถอะอย่าไปทุกข์กับมันถ้าจำเป็นต้องจนก็จนเถอะอย่าไปทุกข์กับมัน ทำไมชอบใจชอบจนเลยพวกเรายังไม่เคยเห็นคนจนที่เขามีความสุขนะ26ปีก่อนพ่อครูเห็นเลยละ่ะมาที่นี่นั่งเรือข้ามมาไม่มีถนนนะบางคนโอ๊ยพ่อครูมาอยู่ไกลทั้งเลยถนนก็ไม่ดีอุย้ยมันดีมากมากแล้วสมัยก่อนไม่มีนะมีมีแต่ทางเปลียนนะสะพานข้ามหมู่บ้านนี้ไม่มีนะนะเราต้องนั่งเรือข้ามมานะพ่อครูมาเจอความบริสุทธิ์ที่นี่ ชาวบ้านก็พาพวกคูไปเก็บเห็ดนะเฮ้ย ใ, ในโลกนี้มีอาหารทิปมีของฟรีไม่ต้องซื้อด้วยไม่ต้องมีสารตกค้างต่างหากเห็นไหมทีนี้พวกคูก็ไปดูปุ๊บพกก่กคูทําไร่บอกปลูกมะละกอก่อนปลูกมะนาวก่อนเออพวกลงน้ําไปจับปลาก็ทำปลาร้าอะไรก่อนสมัยก่อนแล้วตอนนี้เหมือนกันนะเราคิดว่าเราไปทํางานซื้อกินหมด เกษตรก ร, กรไปซื้อผลผิดกา ร, กรเกษตรจากพ่อค้าคนกลางเขาเรียกว่ารถตลาดบางทีมีเงินอยู่ในกระเป๋ารถตลาดมันเข้ามาก็ไม่มีจะกินเห็นไหมแต่หลังจากเราปลูกเองเราตีสองตื่ขึ้นมานอนไม่ได้อยากกินส้มตำเนี่ไม่มีตังค์สักบาทหนึ่งก็ได้กินนะเด็ดมาเรากอมาตําๆก็ได้ก็กินนะเรามีซูเปอร์มาร์เก็ตในบ้านเราไงเห็นไหมถ้าไม่ต้องใช้เงินก็ไม่ต้องหาเงินมั่นคงมาก มันคงนะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามมาเงินกลายเป็นกระดาษเนี่ยคนในเมืองไม่มีจะกินนะที่นี่แหลงอาหารเต็มเลยนะพรอครูเตรียมมาแล้วนะบางเอิญมันมันเป็นบุญอะไรเลยนะคิดถึงพ่อครูมาเมื่อไหร่ก็ได้เราอยู่ริมเขื่อนนี่โปรตีนในในเขื่อนเต็มไปหมดเลยเห็นหมแถบนั้นก็เป็นชายแดนลาวกับไทยนี่ในป่านั้นอาหารธรรมชาติเยอะแยะ แต่ที่สําคัญถ้าเราไม่ฝึกจิตเนี่ยมีกลุ่มคุณหญิงกลุ่มหนึ่งมาที่นี่หลายปีก่อนนะตอนนั้นยิ่งไม่มีอะไรเลยร้อนก็ร้อนนะไม่มีไฟจะมีพัดลมได้อย่างไรด่าก็พามาได้ยังไงมีแตะฝุ่นมีแต่เปื้อนพราครูเห็นจิตแล้วเอ๊ฝ่ายบวกฝ่ายกุศลเขาก็มีอยู่พราครูไม่พูดอะไรมากจับเวียงเลยนะจับเวียงเลยเวียงแลว้วเมาหมัดไง เพอเวียงแล้วนี่ไม่เป็นคุณหญิงละนะไม่เป็นคุณหญิงแล้วอย่าเรียกคุณหญิงนะเวียงคุณหญิงทิ้งทีนี้เรากําลังดํานาอยู่เนี่ยแกก็ เ, เอาลูกชายจบปริญญาโทรมาจากอเมริกาใหม่ๆนะลูกต้องฝึกต้องฝึกตอนนั้นเขากลัวก่อนปีสองพันะเขากลัวโลกแตกมากไอ้คอมพิวเตอร์มันจะมีปัญหานะเขาก็สิบถามพ่อครูว่าเชียงใหม่เป็นอะไรไหม <c oughs> เขามีที่อยู่เชียงใหม่บอกลูกต้องฝึกนะเ ข, เขากลัวขนาดนั้นนะ นะพวกครูบอกว่าไม่ใช่ไปเตรียมที่อยู่ถ้าเกิดมันเป็นอะไรไม่เขาตายหมดเลยเนี่ยนะคุณหญิงไม่ตายนะจะเป็นบ้าต้องเตรียมเครื่องมืออยู่เครื่องมืออยู่ถ้าเรามีเครื่องมืออยู่นะ่ะพอมันเกิดเหตุถ้าเกิดเราจําเป็นต้องอยู่เราไม่ตายนะ่ะนั่นคือยุคภรีอานนะ สักพักหนึ่งไม่ต้องปลูกข้าวเลยนะอาหารธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องยื้อแยง่งแต่ถ้าเราไม่ฝึกจิตเนี่ยเราจะเป็นบ้านั่นแหะไม่ใช่เตรียมที่อยู่เตรียมเครื่องมืออยู่ตอนนั้นนอนใต้ต้นไม้นอนอะไรก็มีความสุขนะก็พวกเราก็อย่าประมาทเนาะไม่ต้องเคร่งเครียดไม่ต้องซีเรียสอะไรละ่ะ กลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายตายแน่ๆอยู่แล้วเราฝึกตายแล้วนะโลกแตกเราก็ตายโลกไม่แตกเราก็ตายนั่นแหละนะตายแน่ๆต่างกันที่ตายดีหรือตายชั่วจํานะนะเราท่องทุกวันนะพ ก, กูพูดทุกวันนะถึงเวลานั้นน่ะต้องคิดถึงพ่อครูแล้วมันจะตายดีตายดีคือมีสติไงไม่ใช่แช่งกันนะออมีครั้งหนึ่งพ่อครูพาเด็กๆประจํานี่ไปเที่ยวแก่งสะพื์นะ เพราะคูไปเองนะบางครั้งเพราะคูว่างไปนาว่า จ, จัดเวลาให้พ่อครูกินข้าวกับเด็กคูกจะพาไปกินข้างนอกบางเอิญไปเจอเพื่อนเก่าเขาก็พาเจ้าหนายเขาเป็นด็อกเตอร์คนหนึ่งไปเที่ยวเขาบอกเจ้าหนายเขาดูดวงแม่นๆสนใจไหมพ่อครัวไปดูแต่พ่อครูก็แม่นก็บอกแม่นยังไงพราครูบอกที่นั่งอยู่ที่นี่อนาคตตายหมดเลยแม่นไหมหรือใครว่าไม่แม่น <c oughs> เรารู้แล้วเราก็ต้องเตรียมไง ต่างกันที่ตายดีหรือตายชั่วคนไทยเราหรือคนเอเชียเราไม่ชอบได้ยิงคําว่าตายไม่เป็นมงคลผู้เจ้าบอกความตายเป็นมงคลอย่างยิ่งต้องพิจารณาบ่อยๆคนไม่ประมาทต้องพิจารณาบ่อยๆเห็นไหมแล้วถ้าเราพิจารณาบ่อยๆเราต้งรีบสาสางนะสาสางปัญหาเลยให้มันจบเร็วๆไม่งั้นเราก็จะผู่เงื่อนไปเรื่อยๆถึงเวลานะี้ยมันตายไม่ลงนะเห็นไหมนี่คือคนไม่ประมาทตายแบบตัวเบาๆไม่ห่วงอะไรเลย นั่นแหละตายดีนะนยใครอยากดูดวงมหาพระคูนะแม่นมาก <c oughs> นะเรื่องดวงเรื่องชะตานะ่มันเกี่ยวกับเรื่องบุญก ก, กรรมมันเป็นตัวส่งผลไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆนะบุญกกรรมที่เราสร้างมาเป็นตัวส่งผลตอนนี้พ่อคูได้ยินเร็วๆนี้นะ่มันมีกลุ่มหนึ่งเขาทำพิธีเบิกบุญ พวกเบิกยังไงนะบุญจะไปเบิกต้องสร้างเหมือนเราฝากธนาคารเนี่ยถามว่าเราเบิกได้ไหมเบิกได้ถ้าเบิกบ่อยๆมันก็หมดใช่ไหมผู้เจ้าไม่ได้สอนให้เบิกบุญกว่าจะเป็นบุญยกตัวอย่างว่าเราจะเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงจบปริญญานะทั้งลงทุนลงแรงนะกว่าจะจบมาเอาวิชาไปหาเงินเหงือไหลใครย้อย ได้เงินมายัางอุตสาห์แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญเห็นหกว่าจะเป็นบุญนี่ตั้งตั้งหนักหนาสาหัสวันดีคืนดีความโลภมากก็ไปเบิกบุญมาเปลี่ยนเป็นเงิน <c oughs> คนทุกวันนี้อะไรกันนักหนาเนี่ยเบิกบุญไงไม่ต้องเบิกเกิดวิกฤตขึ้นมาเกิดอะไรวิกฤตขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวธรรมชาติเขาเจิดจัดสรร น, นะเขาจะเบิกมาค้ำจุนเราเอง แต่ตอนนี้เราไปคิดถึงเรื่องเงินเงินทองทองนะนะเราก็ไปเอาบุญเนี่ยมาแลกมาแลกเป็นเงินเหมือนเก่าอันนั้นอย่ากระทานะเบิกบ่อยๆมันจะหมดสะสมอริยทรัพย์บุญหลอนไปเรื่อยเมื่อมันถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะจัดสรร น, นะบางครั้งไม่ได้สร้างบุญมายิ่งดิ้นก็ยิ่งรัดบางครั้งสร้างบุญมาทำผิดกลายเป็นถูก แต่ไม่ใช่ไปโยนให้กรรมเก่าบุญเก่าฝ่ายเดียวกรรมปัจจุบันบุญปัจจุบันเนี่ยบุญเก่าบวกบุญใหม่คือผลกรรมเก่าบวกกรรมใหม่คือผลนะอดีตเราแก้ไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเราเลือกที่จะสร้างกรรมชั่วหรือสร้างกรรมดีได้เราจะเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้หรือจะตรงไปถ้าใครสนใจตรงไปมาอยู่กับพ่อครูนิพานเท่านั้นอ่า แต่ถ้าใครจะไปเลี้ยวขวาไปสวรรค์ก็ก็นิมนต์อยากเสียเวลาเนาะถ้าจะไปนรกเนี่ยก็เชิญสนุกดีนวันนี้เรามีคำถามว่าสวรรค์มีจริงนกมีมีจริงแต่ไม่ใช่เป็นแดนแบบนั้นที่เขาแบ่งเป็นชั้นชั้นนั้นเขาขีดให้ถึงเลเวลอุณหภูมิของความทุกข์อุณหภูมิของความสุข อยากไปสวรรค์เราลองดูนะทําให้ตัวเองมีความสุขเยอะๆนั่นแหละเรามีเราขึ้นสวรรค์แล้วอยากไปนรกทําตัวเองทุกข์เยอะๆนั่นแหละคือนรกถ้าเราตายเวลานั้นน่ะอารมณ์ที่มันทุกข์นั่นมันก็ตามไปจิตตัวรู้นั้นเขายังอยู่นะความรู้สึกเขายังอยู่แต่ไม่ใช่ทุกข์ถูกลงโทษเพราะว่าเอาไปเอาไปต้มเอาไปขึ้นต้นงิ้วนะที่เขาวาดผ้าขึ้นบนั้นเพื่อให้เราเห็น เราเห็นเรารู้ว่าโอ้มันทุกแบบเหมือนถูกต้มถึงขั้นต้นยิวเนี่ยนะมันเป็นแค่สั ญ, ญลักษณ์จริงๆแล้วเนี่ยนโกสวรรค์นิพพานมันอยู่ที่จบอยู่ที่ความรู้สึกของจิตเท่านั้นเองถ้าเราไม่ไปติดสุขไม่ไปติดทุกข์ไม่กังวลอะไรเลยนะนั่นคือความสุขอย่างยิ่งนะทุกคนต้องรู้เรื่องนี้มีบางคน มาว่าพราะครูอ่ะพ่อครูที่นี่พูดแต่เรื่องนิพพานเนี่ยไม่ทะเยอทะยานมากเกินไปเหรอพ่อครูว่าถามทําไมก็บอกสวรรค์ก็สูงมากแล้วเนี่ยนิพพานสูงไปอีกนี่ยทะเยอทะยานไหมพ่อครูบอกคุณรู้หรือเปล่านิพพานมันคืออะไรนิพพานคือวันที่ผู้ริเจ้านี่ยเจ้าชายเจษฎ า, ายิ่งใหญ่ที่สุดนะวันที่พระองค์ตัดสรูู้นั้นนะ พระองค์ไม่เหลืออะไรเลยความเป็นเจ้าชายชิตะถูกฆ่าทิ้งในเวลานั้นตัดสลุในวันนั้นเวลานั้นผู้เจ้าเกิดในเวลานั้นนะไม่เหลืออะไรเลยนิพานคือไม่มีอะไรเลยมันจ ะ, ทะเทเลชยานได้ยังไงเรามักน้อยสันโดษต่างหากมันไม่ได้อยู่ไกลตัวนะมันไม่ได้อยู่ใกล้ตัวด้วยนะมันอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วนะอย่า ก, ก้าวหน้าต้องถอยหลัง ถอยเข้าไปทุกดวงจิตที่นั่งอยู่ที่นี่เรามีพุทธจิตอยู่แล้วมีอยู่แล้วไม่ต้องสแสวงหาที่ไหนไม่ต้องตีตัวขอวีซ่าไปอินเดียนะไม่ต้องไม่ได้อยู่ภูเขาเหิมะอะไรมันอยู่ข้างในอีกนิดเดียวแค่พลิกจิตไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนทีนี้ไปเรียนรู้กับอาจารย์เราอยู่ข้างในนะ อาจารย์ของแต่ละท่านต้องไม่เหมือนกันอย่าเรียนแบบนะอาจารย์เราคือจิตเดิมเราเด็กคนหนึ่งเกิดมาใหม่ๆเนี่ยแหกปากร้องเนี่ยจิตตรงนั้นเราเรียกว่าจิตเดิมเหมือนผ้าขาวผืนหนึ่งแต่ว่ามีจุดด่างจุดหนึ่งจุดด่างนี่คือกรรมพอคุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อให้เธอชื่อบัญชานะระบายสีลงไปนี่พ่อนะนี่แม่นะนี่เงินนะนี่รวยนะนี่อนาคตนะ ลายหมดเลยจากจิตเดิมพัฒนาปรุงแต่งกลายเป็นจิตปรุงแต่งผู้เจ้าไปเจอวิธีขัดเก่าจิตให้ผ่องใสถ้าเราถึงขั้นจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมขั้นต่ำสุดคือโสดาปฏิมาค์อันนี้เป็นจิตหลุดพ้นแล้วแต่ไม่ใช่หลุดพ้นขั้นขั้นสุดท้ายเราก็ทําไปเรื่อยๆ เ, เมื่อเราหลุดพ้นขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ย เราเข้าไปสู่จิตเดิมแท้จิตเดิมแท้นั้นปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปไม่ต้องอยู่ในวัฏฏะสงสารสามโลกธาตุนี้อีกแล้วนะเด็กนี้เกิดมาไม่ใช่จิตเดิมแท้เป็นแค่จิตเดิมแต่มีจุดด่างจุดหนึ่งอันนั้นคือโปรแกรมกรรมทีนี้เราก็มาสร้างกรรมใหม่อีก นะบางทีเราขาดทุนนะชาตินี้สมมติเราแบกกรรมมาหนึ่งร้อก ร, รมแทนที่จะลดเหลือจุดเ9้าสดนะเราไปเพิ่มกรรมเป็นร้อยยบแบกกรรมไปอนาคตชาตินี้ขาดทุนเนาะขาดทุนนะครับเอาละไม่ต้องเป็นเน้นอนาคตชาติทุกคนอาจจะเชื่อไม่เชื่อที่ยังมองไม่เห็นนะเอาชาติปัจจุบันกันแล้วกันเวลาเราเครียดเนี่ยเคยเครียดไหมครับ เวลาเครียดมีความสุขเนาะสุขไหมอุยฉันเครียดจังเลยดีใจเลยฉันลำวงดีกว่าเห็นไหมลำออกหรือเปล่าดีไหมครับความเครียดแล้วเครียดทำไมเอา้าก็รู้ว่ามันไม่ดีแล้วเครียดทำไมเห็นไหมอาจารย์พระปะยอมบอกโกรธคือโง่โมโหคือบ้าใครๆก็รู้แต่ก็ชอบโกรธกันชอบเป็นคนโง่เนาะเห็นไมสมองรู้แต่จิตไม่รู้ เรารู้หมดแต่เวลาอารมณ์มันเกิดขึ้นเดิมันครอบงาสติเราหมดเนี่ยความรู้เราหายไปไหนหมดไม่รู้แต่ถ้าเป็นปัญญาไม่มีวันหายแต่ความรู้นั่นมันเป็นความจําที่เราเรียนแบบเข้ามาเนี่ยนะนะถูกอารมณ์ครอบปุ๊บเนี่ยความรู้ลืมเลยเวลานั้นสติถูกครอบหมดเลยรู้ทั้งรู้ว่าเครียดไม่ดีรู้ทั้งรู้ว่าโกรธไม่ดีนะโมโหก็ไม่ดีใครๆก็รู้แต่ก็ชอบทํา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 บรรลุมรผลนิพพานโดยไวยเทิน